าวาันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งกันยายน2557้ดขึ้น8ปดำวันพระน้อยนะขึ้น8ขดำเดือนส0บปีมาเมียขณะนี้เรากำลังเทศบรรยายธรรมะชื่อรายการว่าธรรมะาธรรมสงครามออกอากาศโดยทางเทคนิค ก็ยังไม่เข้าฟักเลยลมๆลุกๆเมื่อกี้นี้ก็ดูมันจะเริ่มต้นไปเสียงใบไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยๆมีเสียงออกมาอะไรนี้เนาะก็ค่อยๆปรับไปเราก็ทำงานกันไปพักเพียงกันไปการพัฒนาการนี่แหละเราตั้งใจตั้งใจที่จะ พัฒยามมีทุกกรรมกิริยาของเราเนี่ยเราจะมีสตินะซึ่งเป็นตัวนำของชีวิตสติคืออะไรสติคือความรู้รู้กับตัวเราเองแล้วก็มีสัมปชัญญะคือการเชื่อมต่อไปหาความรู้อื่นๆที่มันจะเจริญนะรู้ รู้ข้างนอกรู้ข้างในที่เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ข้างนอกเราสัมผัสกับอะไรเราก็รู้ว่าเรากำลังเกี่ยวข้องกับอะไรในระยะไกละระยะไกลเกี่ยวข้องอย่างมากอย่างน้อยอะไรเนี่ยมันจะมีปฏิพัน์ก่ามันก็ค่อยรู้เราควรจะจัดการกับอะไรทันทีขณะนี้ขณะนี้จัดการคืออะไรจัดการคือทำให้มันเป็นสัมมาทำให้มันเป็นสัมมาอาชีพทำให้เป็นสัมมารกรรมมันตะ ทำให้เป็นสมาวาจาโดยเฉพาะทาให้เป็นสมาสังกปะนะซึ่งสมาสังกปะนี่แหละเป็นแหล่งมณสิการเป็นแดนเกิดเป็นสัมภาวะหรือปภาวะสัมภาวะหรือปภาวะแปว่าแดนเกิดเป็นแหล่งสำคัญของมโนโปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนโมยาเป็นแหล่งที่ จะเป็นจะก้าวหน้าจะเสื่อมจะถอยจะเป็นอะไรรวมอยู่ตรงนี้รวมอยู่ตรงสังกปะสังกปะคือแหล่งแห่งบทบาทจิตวิญญาณตัวประธานคือโมโนปุพังก็มาธรรมาตรงนี้แหละมารดาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติตนให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทั้งนอกและใน เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรอยู่แล้วเราก็อ่านทั้งนอกทั้งในตั้งแต่การทำงานอาชีพเลี้ยงชีวิตอยู่งานทำงานการนั้นา น, านั้นอันนี้ล้วก็ปรับให้เป็นสมาหมายความว่าไม่ให้มันเป็นตั้งแต่เราตั้งต้นกุหนาไม่ให้เป็นลัพปะนาไม่ให้เป็นแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามลำดับเนในมิตรกตาคือพยายามตั้งหลัก ตั้งศีลตั้งหลักเกณฑ์ตั้งแรแก่ตนเองเรปฏิบัติไปตามขนาดนี้เช่นเราตั้งศีหน้าเราก็ปฏิบัติศีหน้านี่แหละของเราไปให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เกิดสมาพิเรื่อยๆนั่นคือการเลี้ยงชีพด้วยฐานนะแห่งปฏิบัติตามลําดับไม่ใช่จะปฏิบัติตําแหน่งอ ร, อรหัตมักเลยทันทีไม่ใช่เริ่มต้นก็นแก่โสดาปฏิมักแก่ศีหน้าอะไรนี้เป็นต้นแล้วเราก็พยายามภาคเพียน ตอาที่เราจะรู้ว่าเออเราไม่ทำรายสัตว์เราไม่เอาของใครที่เป็นไม่ใช่ของเราเรื่องกามเราก็อยู่ในกรอบของศีลห้านะวาจาเราก็ไม่เอาปลดมดเท็จอะไรไม่เอาสิ่งที่เราเป็นตกเป็นาทาตรดึกว่าเมาสุระสุราเมาอันยาบอันแรงอันกล้า เมาจัดเมาแรงสําหรับตัวเราเริ่มต้นไว้เราเรียกว่าอบายนะสภาพที่มันตกต่ํามันเสื่อมเราก็ตั้งใจอ่านรู้ชีวิตของเราในอาชีพของเราเราเลิกมาก่อนเลยถ้าอาชีพนี้มันเป็นมิจฉาในระดับอบายตัวเธอมิจฉาแล้วเราเลิกหยุดทํางานนั้นเลี้ยงชีพนะไม่เอานะอาชีพหนี่ในมิตกิกตาเป็นตัวหลักปฏิบัติ จเจริญขึ้นก็ไปสู่นิเปตริกตาลาเพนะลาพังนิจเคิงสนาตามันจะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นนพัฒนาการของมันสุวนกรรมมันตะเราก็พยายามควบคุมไม่ได้ก็กลายวก็คื อ, อมีมีมิจฉาสามมีโพธิที่เรียนมาแล้วอ่านมาแล้วจำได้อาตมาพูดซ้ำๆซัซกๆก็คงจะรู้ ก็คือปานาติบาติณนาทานการมสีสมิชาจานนั่นแหละซึ่งความหมายก็มันจริงจงมันลึกซึ้งมันมันทังกว้างทั้งลึกต้องเข้าใจคือก็เราไม่อยู่อย่างเบียดเบียนไม่อยู่อย่างโทสะมูลปานาติบาติณนาทานไม่อยู่อย่างโลภมูลไม่อยู่อย่างโลกอย่างเห็นแก่ได้จนกระทั่งทุจริต ปานาธิบาก็ไม่ฆ่าสัตว์ได้ก็ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายเขายุขนาดนั้นแม่แต่เราจะสามารถทำได้จนไม่พยายามทำร้ายอะไรสัตว์ได้เลยไม่เบียดเบียนได้ก็ยิงเก่งแต่อะไรมันก็สูงขึ้นไปบทบาทแรกเราไม่ฆ่าก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนอธินาทานก็ไม่เอาของใครสร้างสรรค์เองพึ่งทนเองดอกนั้นก็เกืดอกูลกันช่วยเหลือ ก, กันมุนเวียนกันตาม พฤติกรรมของสังคมวัฒนธรรมของสังคมก็ว่าไปวนก็ส่มนั่นราคะมูลาราคะมูลเรื่องของเสพรสเสพรสรสทางกรรมอันนี้ต้องเอามุ่งมาทางกรรมเสพรสกรรมของคุณหตั้งแต่เรื่องเพศเรื่องรวมรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราจะไปเสพรสทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องรู้สภาพของว่าเออสิ่งเหล่านี้เราเราจะเลิกเราจะตั้งใจหยุดเราจะต้องตั้งใจระ ง, งับไม่เอาแล้วมากมายขนาดนี้มันจัดจ้านขนาดนี้อะไรงี้เป็นต้นเราก็ทําจริงๆ น, นั่นเป็นสังกปะเาขาไม่ใช่กรรมตัณกรรมตะคือการกระทําทุกอย่างการกระทําทุกอย่างให้ดีที่สุดซึ่งมันก็รวมลงในสามอย่างนี่แหละโทสะราคะ หรือโทสะโลภะราค ะ, ะซึ่งสูงสุดน่ก็มีแต่ชอบกับชังน่หละโทสะก็ชังโลภะราคะก็ชอบมันก็มีอยู่ในสั้นๆเขาย่อๆเขาวาจาก็มีมิจฉาวาจาไปไม่ปลดนดอกนั้นก็ยังมีอีกสองสามอย่างไม่พูดหยาบไม่พูด ข อ, อเศียดไม่พูดเพื่อเจ้ออะไรพวกนี้เป็นต้นก็ดูตามเหมาะตามควรก็ต้องพยายามระมัดระวังควบคุมจริงๆปฏิบัติไปมีสติดูเกี่ยวข้องกับอะไร อ, อะไรก็พยายามปรับข้างนอกเป็นอย่างนั้นอาชีวะกรรมมันตะวาจาซึ่งมันได้แล้วก็คือเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชานะ รู้ต่อเนื่องกันไปเป็นการรู้ร่วมไปวิจงวิจัยอยู่ในทีอะไรมันเกิดผิดทางข้างนอกมิจฉาข้างนอกมิจฉาอาชีวะมิจฉากรรมมันตะมิจฉาวาจาเราก็ดูให้มันได้ย่าให้มันผิดมันก็เป็นสมามีสมาสติสมาวายามะพยายามช่วยสมาธิทธิที่เป็นประธาน ตามหลักวิธีการปฏิบัติมรรคองแป8นะที่พระเจ้าตรัสไว้ในมหาจตารีสกสูตรนะพระเปิโดเล่ม14เนี่ยตั้งแต่ข้อ252รอถึง281เนี่ยเราก็ศึกษากันมาอาตมาก็นำพูดแบบซ้ำากแต่คขามเรียบเรียงอธิบายเป็นนี่ก็ร้อยเรียงให้ฟังให้เห็นชัดๆยิ่งขึ้นนะเราก็จะค่อยๆเข้าใจว่าโอ้เราได้ปฏิบัติมาตามที่อาตมาพูดนี่แค่ไหน บกพร่องแค่ไหนควบคุมข้างนอกน่นก็ได้ข้างนอกจิตก็มีกำลังควบคุมระมัดระวังสังวรเกว่าสังวรนี่สีหแต่มันจะครบหกนะบหก็ต้องไปถึงใจจะครบหกก็ต้องไปถึงใจใจก็คือสังกับปะนะนะเป็นตัวเป็นตัวแหล่งมณสิการ แหล่งเป็นการทำใจในใจเป็นแหล่งสัมภาวะหรือปัพภาวะที่อาตมากล่าวไปแล้วเป็นแดนเกิดแดนตายมันจะมีจิตที่ปรุงแต่งกันอยู่ในนี้และทั้งหมดเรียกว่าจิตสังขารมันปรุงแต่งกันอยู่ในจิตทีนี้การปฏิบัติของพระเจ้าเนี่ย ท่านดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในพร้อมเห็นอยู่รู้อยู่ทั้งข้างนอกข้างในพร้อมเรียกว่ามีทุกอิริยาบถนอกบทในต่างวิโมกน่าวิโมกข้อหนึ่งก็อสองแม่ข้อสาก็ตามหรือยิ่งข้อสหกเจ็ด78ดวิโมกไปนั้นยิ่งตรวจรายละเอียดลึกซึ้งขึ้นแต่ตัวปฏิบัติต้นก็คือข้อหนึ่งข้อสองก็สก็เป็นข้อได้ผล วิโมกขสามเป็นเพราะข้อที่เป็เกิดผลวิโมกข้อนึงก็บสองก็เป็นตัวที่ชัดๆรูปีรูปปาณิปัสสติจะต้องรู้ต้องเห็นปัสสติต้องเห็ น, อ, หนอย่างสัมผัสเห็นอยู่รูปทั้งหลายที่รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตาเห็นอะไรนกระทบอะไรก็เรียกว่ารูปหูกระทบอะไรก็เรียกว่ารูเสียงที่ได้ยนนินก็เรียกว่ารูปจมูก ได้กลิ่นอะไรขึ้นมากระทบก็เรียกว่ารู้ลิ้นกระทบอะไรก็เรียกว่ารู้หรือเราไปสัมผัสอะไรก็เรียกว่ากายไปสัมผัสก็คือกายไปสัมผัสทั้งหมดทุกอย่างทวาร น, นอกนี่แหละเรียกว่าโพธพาโพธะะะะะะะะะะะะะะะัะะะะะะะะะะะา ร, ร, าาระาราระระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะูะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ ชีวิตดำเนินไปอยู่ซึ่งเป็นไปอยู่อย่างนั้นเลยว่าโฉจระโฉจระรูปมีตาหูจมูกดินกายเราเรียกรวมว่ากายคำว่ากายคำนี้มันซ้อนอยู่เมื่อกี้นี้ก็พูดไปแล้วะนะว่ารูปรบเรนเสียงสัมผัสการสัมผัสนั้นมันร่วมกันสัมผัสกับกายมันจะซ้อนกันอยู่เพราะข้างนอกทั้งหมดสัมผัสจริงๆก็สี่อันนี่แหละสัมผัส แล้วก็รวมอีกอันหนึ่งก็เลยว่ากายนอกและในรวมกันเพราะฉะนั้นรูปในภาษาทรูปห้าแม้แต่จะเรียกโคจรรูปห้าเหมือนกันแต่รวมแล้วต้องหักออกหนึ่งเรียกว่ารูป9ป้าภาษารูปกับโคจรรูปนี่มีเกไม่นับสิบ อันนี้ก็ยากสำหรับผู้ที่ยังเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหมดยังไม่ค่อยดีนั่งฟังไปก่อนไม่เป็นไรฟังไปเท่าที่พอเข้าใจพอฝังรู้ น, นันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคาว่ากายเนี่ยมันเป็นตัวที่ยากที่มันสัมผัสเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งนอกและในมันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นแต่มันก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็ รวมทั้งภายนอกเป็นประสาทรวมสัพพัดแ ต, ต่องทั้งหมดเป็นประสาทรวมเรียกว่ากายนอกในนิโมก8ปดในข้อสองระบุชัดนะอจตังรูปะสัญญาเอโกหิทารูปานิปัสสติพหิทาเราป่าภายนอกอัจตังพระบภายในเราจะต้องเห็นมีปัสสติ สัมผัสรู้อยู่รูปทั้งหลายสิ่งที่กระทบสัมผัสรู้เราเรียกว่ารูปรู ป, ปานิคือรูปทั้งหลายรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีส่วนที่จะมีสิ่งที่ถูกรู้อยู่เรียกว่ารูปก็จะต้องสัมผัสเห็นนะสัมผัสเห็นแล้วก็ต้องพัฒนาปฏิบัติ ข้างนอกพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่าเราทำให้มันสัมมาโดยจริงแล้วตัวต้นทางที่จะเป็นโลกุตระจะเป็นโลกุตระอยู่ที่สังกัปปะวาจากรรมนตะอาชีวะควบคุมได้ยังไงให้เป็นสัมมาอย่างไรตามที่เราปฏิบัติก็มีอนิสงส์มีผลมีมรรคผลทางวิคัมปนะปะหาน แต่มันไม่ถึงขั้นละนายจางคลายเพราะมันไม่รู้ตัวจิตเจตสิกจิตเจตสิกที่จะต้องกำหนดอ่านรู้ถูกรู้โดยานของเรารู้จิตเจตสิกจิตเจตสิกที่ถูกรู้เราเรียกว่านามมารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้และคนนี้เป็นนามธรรมาเป็นจิตเจตสิกเลย เมื่อเราสัมผัสรู้จิตเจตสิกได้อ่านจิตเจตสิกออกวิจัยมีธรรมวิจัยธรรมวิจัยสัมโพธชงมีสติสัมโพธชงแล้วก็มีธรรมวิจัยสมโพธชงวิริยะสัมโพธชงทํางานอยู่หรือมีสติมมประธานสมีสมปทาน ส, ส, มมานสี่แล้วก็มีอิทธิบาทสีโพธชงสน่ยขยายมาเป็นโพธิปักยธิธรรมสมก็บสอย่างเนี่ย เสืต้ตมาเขาขยายความอีกอธิบายผ่านมาเรื่อยๆก็ขยายความนะ้ธรรมมธรรมะสงฆ์มาขอพูดถึงธรรมะขึ้นต้นแล้วก็ขอพูดธรรม ะ, รมะขยายความธรรมะนี้กันไปก่อนนะ้แล้วก็พูดถึงส่วนรวมในพฤติกรรมของชีวิตเราใ น, ในที่นี้ที่หลังนะ้วันนี้เราเริ่มต้นกันเกือบจะครึ่งแปดิบแปดนาฬกาเกือบครึ่งนะ้วันนี้นะ สิ 18, โอ้ซึครึ่งกว่า40่สิบสิ่นะคสชท่านขยันดีน่าก็ทำแต่เธอเป็นส่วนรวมของประเทศอัตมาไม่มีปัญหาอะไรจะเอาไปหมดชั่วโมงก็ไม่ว่าอะไร่าเราก็รอไปได้นเราก็ได้ฟังไปด้วยนได้รู้ไปด้วยว่าคสชทำอะไรให้แก่ประเทศชาติอยู่ตั้งใจทำอะไรพูดไปบอกไปแล้วท่านก็ต้องทำก็ดี นั่เป็นการทําอย่างนอานาอนุโมทนานั่นสังกปะเนี่ยมีสังกปะเจที่อาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหสคัญมากเป็นจิตสังขารเป็นการจัดการกับจิตมณสิกการเรื่าการจัดการหรือว่าการทําการกา ร, การปรับปรุงการจัดแต่งการทําให้มัน จิต ท, ทำจิตให้มันดีอ่ะดีคืออะไรต้องพยายามแยกแยะวิจัยออกนะวิตกวิจารณัก็คือวิจัยจิตของเราจะมันดับหริมาได้ว่าวิตกแล้วก็รู้พฤติกรรมอย่างนี้เลยว่าพฤติกรรมของอาการกิเลสจิตตัวนี้เป็นอกุศลนะแล้วก็จับตัวมันได้แล้วเราก็ประหานตัวนี้แหละ ไม่ใช่เปประหารจิตมุมมั่วปนปนไปหมดเลยเป็นดับจิตแล้วก็ไม่ทํางานไม่ให้นเป็นจิตรับรู้อะไรเลยอย่างที่พาซื่อปฏิบัตินิโรธกันทําให้จิตมันนิ่งนิ่งหยุดสงบนิ่งแล้วก็หยุดทํางานไปเลยอันนั้นมันเป็นของลัทธิที่มันมีอยู่ในโลกลัทธินิรันดรมันง่ายๆก็พักจิตเขาทาให้จิตเกิดพลังการหยุดอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติให้จิตเกิดพลังการหยุดเท่านั้นเองไม่ใช่ เกิดพลังให้ประหารอากุศลจิตประหารกิเลสมันไม่ใช่ของพุทธนี่ให้ประหารกิเลสโดยมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจปฏิบัติอาชีพทำงานการอาชีวะกรรมันตะวาจาแล้วมาเรียนสังกัปะเนี่ยในขณะที่มีอิริยบททุกอิริยบทสำเร็จอิริยบทอยู่วิราติทุกอิริยบท พยายามฝึกให้อ่านทันให้อ่านรู้อ่านใจรู้กระทบสัมผัสตางหูจมูกดินกายกระทบแล้วมันก็ไปเกิดที่ใจและการวิจัยจิตของเราธรรมวิจัยสัมโพธิชนหรือเรียกอีนัยยะหนึงอวตปิตกวิจารณก็คือวิจัยให้จิตของเราเนี่ยแยกจิตของเราให้ออกทําจิตของเราให้รู้ตัวเหตุสมุทยัยให้ชัด าอาการอย่างนี้คือตัวตัณหาเมื่อกระทบสัมผัสอันนี้มันเกิดตัณหาขึ้นมานะมันเกิดความปรารถนาอยากอยากทําลายหรืออยากทิโลกอยากเสพราคะต้องอ่านรู้อาการก็มันเลยอาการดิฉนิมิตอุเทศรู้อาการรู้หมายรู้นิมิตเป็นเครื่องหมายโอ้ยังงี้เรียกว่าราคะยังงี้เรียกว่าโทสะ อ, อย่างนี้เรียกว่าสายตระกูลนั่นตระกูลนี้โมหะนี่คือความหลงผิดก็พยายามทำให้มันสมาให้มันชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติอย่าเป็นหลงเลอะ เ, อ, ะ เ, อ, ะๆๆเ อ, อเอาให้มันชัดไม่โมหะไม่หลงเลอะเทอะเหลงไรหลงเพี้ยนอะไรไม่มีชัดเจนปฏิบัติจริงๆก็คือสองตระกูลใหญ่ชอบกับชังโทสะกะโลภะหรือโซสะกราคะนี่แหละ เมื่ออ่านอาการพวกนี้ออกชัดแล้วเราก็รู้ตัวจับตัวได้แล้วว่ารู้จักส ก, กายะรู้ตัวตนขององค์ประชุมชั้นใช้คําว่ากายะแต่ ว, ว่าองค์รวมหร อ, องค์ประชุมไม่ใช่นั่งหลับตาอยู่ในจิตเท่านั้นแล้วก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ใช่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสข้างนอกแล้วก็รวมกันเรียกว่าองค์ประชุมเรียกว่ากายะ พราะสักกะนี่แปลว่าตัวเราตัวตน ต, ต, ต, ต, ตัวเองของเราเองนี่แหละมันรวมองค์ประชุมของเราเองในขณะนี้กําลังทํางานอยู่ตา ก, ก็ากระทบรูปหู ก, ก็กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นก็ทบรสอะไรอยู่ตลอดเวลามีสัมผัสอยู่ข้างนอกข้างในภาษาทรูปโคจรรูปทํางานอยู่เมื่อทํางานแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านปฏิบัติทุกขณะทุกเวลาฝึกไม่ง่ายแต่ว่าทําเป็นได้ง่าย ทำไม่เป็นละยากทำเป็นแล้งง่ายอะไรก็ทั้งนั้นน่ะถ้าทำยังไม่เป็นลยากขนาดนั้นน่ะถ้าทำเป็นแล้วมันไม่ยากหรอกนะเสร็จแล้วเราก็จัดการเมื่อวิตกวิจารหรือเมื่อรู้มันเกิดวิตกวิต ก, กะต ก, กะมามันเกิดดําดิขึ้นมาแยกตัวกิเลสออกแล้วก็จัดการประหารกิเลสได้เรียกว่าทำงานมณสิกโรติ จัดการทำใจในใจนะหรือจะเรียกว่าอภิสังขารก็ได้จัดแจงปรุงแต่งมันอย่างยิ่งเลยอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งแปลว่าเลิศแปลว่ายอดจัดการอย่างสำคัญมากอภิสังขารปรุงแต่งของโลกไนี่มันมีปัญญาไ ม, ม่รู้อะไรมันก็ปรุงแต่งไปตามกิเลสแล้วก็ถูกกิเลสกินหัววอยู่ทุกวันคนไม่รู้เรื่อง แต่คนที่ปฏิบัติทมเรียนรู้โดยเฉพาะธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดดีอย่างที่อาตมาไล่ให้ฟังเนี่ยรู้ภาษาที่อาตมาอธิบายไปก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ปฏิบัติให้จริงเราจะเห็นจริงมีสภาวะรองรับเมื่อเราสามารถอ่านตัวกิเลสออกทำกิเลสลดลงได้ เราก็จัดการฆ่ากิเลสนั้นดับสมมุติว่าเราปฏิบัติได้แล้วกําจัดกิเลสได้แล้วและมันได้โดยวิธีของพุทธเลยว่าวิปัสนาวิธีเป็นวิปัสนาญาณเห็นรู้เป็นวิชาของพุทธเจ้าวิชาในมีแปดเป็นวิปัสนาเห็นปัสจันี่คือเห็นเห็นปัจสตินี่แหละ ปัจซีนี่เห็นเห็นระดัดสัมผัสอยู่ระดับเลยแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดอำนาจเกิดติดเกิดแรงของปัญญากิเลสลดลดด้วยปัญญาลดด้วยโสลดยานลดด้วยวิปัสสนาญาณก้ามันลดจริงๆมันที่อธิบายไปหลายทีแล้วจนถึงกันมุนจิตุกำวายัตยานยานลดไปจริง ทำให้กิเลสมันลดพลังปัญญาเป็นไฟชาญนไฟทางปัญญามันจะทำให้กิเลสจางคลายลดไปได้นะแล้วตามเห็นหมดพระพุทธเจ้าอธิบายหมดอาจารมาห ย, ยิบภาษาคำมารีอะไรต่างๆนานามาร้อยเรียงให้ฟังเหมือนรอยรอยมาลัยทุกอย่างเขายืนยันว่ามาเดโมเม เอาสภาวะที่เป็นจริงที่ตนเองมีนะครับมาอธิบายชี้ให้ชัดตามเห็นความจางกลายตามเพราะเราปฏิบัติเห็นอนิจจงอนิจจาโนปสีเห็นมันไม่เที่ยงจริงๆพยัญชนะคก็บอกว่าอนิจจาอนิจจงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นจิตมันไม่เที่ยงมันจะตั้งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปมากขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ได้เสพมันก็ลดลงไม่ได้เสพ มันอาจจะแรงขึ้นแหลแต่ถ้าเราสู้มันจริงมันก็ลดลงสุดตายมันก็ยอมแพ้มันไม่เอาเราตายหรอกกิเลสมันไม่เอาเราตายแต่มันตายตายให้มันทุกทีเราเสร็จให้มันทุกทีนะคือมันไม่อยู่กับที่มันไม่อยู่ดังนั้นมันไม่มากก็น้อยเลยว่าลิงคะความต่างของอินทรีย์ความต่างของกําลังกําลังกิเลสมันแรงมันมากหรือมันจางลงหรือมันน้อยลง นี่เรียกว่าลิงคความต่างของน้ำหนักความต่างของอำนาจความต่างของดิ้แรงความต่างของพลังงานของกิเลสนะเออมันลดลงมันลดลงเราก็เห็นมันจางลงด้วยการทำเรว่าเห็นวิราคานุปัตสีตาเห็นมันลดลงเออมันเบาลงจริงๆคุณกำลังมีตาทิพ เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกกำลังจางลงถ้าทำดับได้นั้นก็เห็นมันดับเห็นอาการกิเลสนั้นมันดับลัดหลัดอยู่ในขณะนั้นเลยนิโรธานุปสีตามเห็นมันดับในขณะที่ปฏิบัติสัมผัสอาการอยู่เนี่ยอันนี้ท่านอธิบายไว้ในอาณาปานสติสูตร อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรทานุปัสสีปฏินิสข า, านุปัสสีอนุปัสสีสีตามเห็นเห็นนัดหลัดเลยท่านอาธิบายอยู่ในอาณาปานาสติสูตรแต่อาณาปานาสตินั้นทุกวันนี้มันเพี้ยนมาเข้าใจว่าอาณาปานาสติคือปฏิบัติแล้วก็นั่งหลับตาอยู่ข้างในเท่านั้นก็ไม่ผิดแต่ไม่ครบไม่บริบูรณ เพราะอาณาปานาสติจะต้องอยู่กับมหาสติปฐานมหาสติปทานกับอาณาปานาสติอันเดียวกันและมหานี่ใหญ่ด้วยสติปฐานใหญ่กว่าอาณาปานาสติอาณาปานาสตินี้บอกฐานะของคนที่มีลมห้ใจเข้าลมห้ใจออกแล้วจงมีสติแล้วปฏิบัติมหาสติปทาน คือปฏิบัติมีสติสัพชัญญะปัญญาตามนั่นแหละรวมลงก็คือมาปฏิบัติโพธิปักเียรติธรรมสามเจ็เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐานสี่แล้วก็ทำให้เกิดสติสัมมาสติตามมรรคองแปดไปตลอดเวลาให้เกิดสติควบคุมดูแลรู้พร้อมเลยว่าโอ้เราทำอาชีวะก็สมาเราทำกรรมมันตาก็สมาเราทำวาจาก็สมา โดยเฉพาะเรากําลังทําสัมกับปะให้มันสัมมาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสัมสังกับปะให้สัมมาได้ก็คือเรากําจัดกิเลสได้เพราะยังกิเลสมันมริมาตักกะเราก็จัดการกับกิเลสได้อย่างวิเศษเราวิตักกะวินี่คือไม่ตัวกิเลสเราไม่เอาเราไม่ให้มันมีฤทธิ์มีแรงในจิตเราเรากําจัดมันออก โดยเฉพาะยิ่งเป็นวิปัสนาวิธีกิเลสมันหม ด, ดเมื่อใดช่วงขณะก็ตามด้วยวัตถังฆะหารเป็นครั้งเป็นคราวก็ตามทําอย่างนั้นแหละทําบ่อยๆเรียกว่าปฏินิษฐ์สกานุปสัสสีตามเห็นที่เราทวนทำทำําทวนทวนทําอีกมันดับได้กับทวนทําทวนทํามันก็เป็นสังกัปปะที่สัมมาเมื่อสังกัปปะที่สัมมาแล้ว เราก็จึงจะให้มันเกิดเรานะให้มันเกิดเราเป็นพระเจ้าให้จิตเกิดนะเรามีอำนาจดูแลจิตเราเป็นวสีมีอำนาจเวสีพยายามเมื่อเวลาเราจะไปปรุงแต่งต่อเราก็ปรุงแต่งโดยองค์ประกอบรวมได้ว่าจิตสังขาร เพระเาะฉะนั้นเมื่อปรุงแต่งเสร็จจิตสังขารเสร็จมันก็ได้องค์ประกอบรวมเสร็จเลวกายสังขารเสร็จแล้วก็มาเป็นบัจจีสังขารรวมไว้ที่จะให้ออกมาเป็นบทบาทวัจีกรรมกรรมมันตะอาชีวะในอนาคตในต่อไปนี่คือกระบวนการของสังคัปปะ เมื่อทำสั่งสมลงไปก็จะสั่งสมตกพลึกลงเป็นอปปนาพย ป, ปนาเจตโซพิเนโรปนาเรื่อยเรยเรยเ ร, ยเรยโดยการปฏิบัติต้องมีองค์ประชุมของกายะวิญญาณกายะสังขารกายะต่างๆรู้จักกายะกะลิต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เสมอกายเนี่ยปฏิบัติลืมตา กายะกิริคือกิเลสคือตัวโทษตัวภัยตัวสำคัญกำจัดมันได้แล้วเราก็ทำงานทำการทำอะไรดีๆขึ้นเลยว่ากายะกรรมมันกมนยตาหรือ ก, กายะปาคุญยตาผู้ที่ทำสัมมาสังกปะเป็น ทำสำมาสังกปะสำเร็จผู้นั้นล่ะคือผู้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมรรคผลเป็นประโยชน์ที่จะดำเนินไปถ้าทำเข้าใจแล้วก็ทำได้จางงี้เสมอจนกระทั่งช่ำชองเป็นอรหันต์แน่ไม่ต้องพยากรณ์จริงๆ เป็นอรหัน์แน่นอนเราก็จะรู้ต่างๆนั้นนะรู้เวทนาในเวทนาโดยมันจะเกิดกายในกายเพราะองค์ประชุมข้างนอกเป็นกายนอกมันก็เป็นกายในกายเป็นกายในกายกคือองค์ประชุมเขาไปอยู่ตรงตาก็เห็นอยู่นี่เห็นต่างๆนั้นนะกิเลสมันเกิดกัเห็นอยู่เดี๋ยวตอนนี้กิเลสมันเกิดจริงอ่ะไม่ใช่ของไม่ใช่เกิดสัญญาแต่เกิดปัญญา เห็นอยู่ทนโท่หรัดหลัดเลยในขณะปฏิบัติมีปัญญาในขณะที่มีธรรมวิจัยสัโพชฌงมีธรรมมีมรรคังคะมีองค์แห่งการปฏิบัติทมครบแปมีสมาธิิธรรมาทิฏฐิเป็นประธานสมววาวยามะสมาสติก็ช่วยทำช่วยประธานอยู่พยายามสมววาวยามะแล้วมีสติไม่ตกไม่ลนมีความรู้รอบสัมผัสอย่างน้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลย แล้วก็พยายามให้มันสัมมาโดยเฉพาะข้างนอกสัมมาหมดแล้วอาชีวกรรมมันตะวาจาจัดการกับข้างในสังกัปปะเราก็ทำสาเร็จสัมมาอีกเมื่อทำสังกปะสำเร็จสัมมาอีกมันก็สมบูรณ์อย่างที่อธิบายคร่าวๆเมื่อกี้นี้นะ สมบูรณ์แล้วมันก็เกิดผลไปเรื่อยๆเป็นปัญญาเป็นปัญญินีเป็นยังยังไม่ถึงสําเร็จสมบูรณ์ก็ยังไม่เรียกว่าปัญญาพละในองค์หของสังกัปะเนี่ยสังกัปะนี่มีองค์หก็มีองค์เจองค์เจก็คือกระบวนการเมื่อกี้เนี่ยตั ก, กะวิตกกะสังกัปะอปปนาพย ป, ปนาเจตโสเปนโรปนาและกะวาจิสังขารนี่คือกระบวนการของสังกัปะ ส่วนกระบวนการของปัญญาเนี่ยฤทธิทิฏฐิหปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมปชองสัมมาทิฏฐิและก็มรรคขังคะอัตมาอธิบายฟังนะปฏิบัติมรรคขังคะทุกองค์อย่างเป็นปฏิสัมพันธ์มีองค์รวมองค์ประชุมอยู่ครบเลยว่ากายโยปฏิบัติอย่างมีกายะสังขารทั้งข้างนอกข้างในอยู่กายะนี่อธิบาย ม, มามากเลยนะว่าขาด จิตร่วมไม่ได้นะต้องมีจิตร่วมรู้โดยเสมอถ้ามีแต่คำว่าข้างนอกเท่านั้นนะไม่มีคำว่ากายมีแต่รูปเป็นรู ป, ป ร, รูปถ้ามีรูปประกายจะต้องมีจิตวิญญาณร่วมเป็นองค์ประชุมกายแปลว่าองค์ประชุมถ้าไม่มีองค์ประชุมดาไม่มีองค์ประชุมของจิตก็ไปร่วมเรียกมันว่ารูปรู ป, ป ร, รูปเท่านั้น แต่มันก็อยู่ของตัวมันเอกเทศมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าเราไปสัมผัสเมื่อไรจิตเราไปร่วมเลยจะเป็นกายองค์ประชุมเลยพอรูปที่ถูกรูนะ้นั้นปั๊บก็เกิดเป็นรู ป, ปรกายให้เราเห็นได้ยินเสียงก็เป็นรู ป, ปรกายให้เราได้ยินได้กลิ่นทางจมูกก็เป็นรู ป, ปรกายให้เราได้กลิ่นสัมผัเสเศษสีทางลิ้นทางทุกส่วนทั้งนอกทั้งในก็คือ รูป ร, รูปโอ้ย ค, world, คือรูประกายที่เราได้ตับสิ่งที่ถูกรูนั้นถูกกันนี่เป็นต้นนะเพราะเมื่อเรามีธรรมวิจัยสัมโพธชงมีสมาธิธสมาธิธาธธินี่มันจะเจริญขึ้นตลอดเวลามันจะเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อ ย, อยนะตามที่มีวิวัฒนาการของมันจิตมันเป็นสมาขึ้นเรื่อย ม, ม, มันก็เจริญขึ้นยสมาขึ้นเรื่อยมันก็เจริญขึ้นเรื่อย ความรู้ความเห็นทิฏฐิมันก็จเจริญขึ้นส่งมาเป็นปัญญาเป็นปัญญินรีจากความรู้ที่ครบพร้อมข้าหนอกมันก็จะมาเป็นปัญญินรีมีกำลังสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าครบก็เป็นสมะเป็นปัญญาพละนี่คือองค์ธรรมหกที่มันเกิดการซับซ้อนวนเวียนทางานครบองค์ไปเรื่อยๆๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆนะอัตมาอธิบายลักษณะธรรมที่มัน สัมพันธ์กันปฏิสัมปชักันอย่างที่ว่าเนี่ยแม่อัตมาถ้าเผือว่าผู้ใดที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นจริงอย่างที่อัตมาพูดทีนะมาช่วยอัตมาอธิบายบ้างก็ดีอัตมาว่าอัตมาอธิบายไม่เก่งนะเก่งที่คุณยังไม่เคยยังไม่ยังไม่เจอคนที่เก่งกว่า อ, อัตมาคุณก็ต้องยอมรับอัตมาว่าอัตมาเก่ง แต่อาตมาว่าอาตมายังไม่เก่งอธิบายเนี่ยคุณพอรู้ได้แสดงว่าคุณเองมีปัญญารับมีปัญญามีปฏิภาณรู้แล้วก็มันมีพื้นฐานด้วยมีบารมีด้วยก็เลยพอรู้เส้ารรมามั่นใจว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานและคนที่ไม่มีปฏิภาณจะพอรู้อาตมามาฟังไม่รู้เรื่องหรอกฟังไม่รู้เรื่องหรอก แม้แต่พยัญชนะที่อาตมากล่าวถึงภาษาต่างๆมานี่ยนะต่อให้เรียนอภิธรรมมาด้วยอะ่ะเขาท่องได้เก่งกออาตมาด้วยอะ่ะจริงต่อให้นังอภิธรรมเลยนักอภิธรรมเรียนปรมาสมาท่องภาษาได้เก่งเขาอาตมาพูดตัวไหนเขารู้ทุกตัวแต่เขาจะเมาเพราะต่อมาเอามาร้อยเรียงไม่เคยรู้อย่างนี้ว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังเอาจริง จริงข้อภัยนะอาตมาไม่ได้ไปอวดตัวอวดตนอะไรอาตมาไม่ได้โมเมนะที่พูดนี่ไม่ได้โมเมไม่ได้ทําเป็นเล่นเอาอะไรมาพูดไปเรื่อยบ้าๆบอบ้ า, บ า, บ า, บาเล่นเป็นอุตริมนุสธรรมนะเป็นคุณวิเศษนะเป็นเรื่องปรมัตรธรรมนะเป็นโลคุตรธรรมนะถ้าไปแสดงออกแล้วอาตมาพูดไปนี่ก็ยืนยันว่าเป็นของตนเองอวดตัวอวดตนนะ โอ้ตุติยมสธา ร, รมของตนนะถ้ามันผิดในะอาตมาปราชิกในะอาตมามีอนันตรกษกรรมโดยไ ม, ม่ต้องใครมาลงโทษอาตมาหรอกถ้าอาตมาทําผิดอาตมาก็มีอนันตรกษกรรมของอาตมาทันทีไม่มีอะไรมาพิพากษาหรอกไม่ต้องมีผู้พิพากษาสัจจะทําปุ๊บมันเป็นของมันปั๊บเลยคุณทําผิดคุณก็ผิดคุณทําถูกมันก็ถูกแล้วมันบันทึกลงไปในสัจจะเลย สัจจะไม่ละเว้นอะไรที่กรรมที่ทำลงไปไม่ละเว้นเป็นของคุณทั้งนั้นเลยกรรมสกกะกรรมสกตาเป็นของของคุณทั้งนั้นนะทำด้วยเจตนาไม่เจตนาก็ตามถ้าเจตนาก็มีฤทธแรงถ้าไม่มีเจตนามันก็ยังเป็นความผลึกลงม้อนกันดึกธาตุรู้ที่มันอยากทำไม่เจตนา แต่อัตโนมัติมันทำไงกิเลสมันพาทำมันยิ่งแย่เลยไ่ตามหลังให้กิเลสมนบังคับทาอ่ะไม่เจตนาดอกแต่กิเลสมันมันแรงอ่ะมันทาก่อนที่จะเจตนามุ่งใจมุ่งมั่นจะทำไม่ได้มุ่งเลยแต่กิเลสมันพาไปทำแล้วใครไม่เคยใครไม่เคยเข้าใจนัที่พูดเห็นไไม่มีใครไม่เคยเลย มันทำโดยไม่เจตนาหรอกมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมแล้วมันเป็นนะมันไม่ใช่มันไม่สั่งสมไปกิเลสนะเพราะจะบอกว่าเจตนาทึ่งเป็นกรรมทึงเป็นบาปไม่จริงมันไม่เท่านั้นหรอกมันทำโดยไม่เจตนานี่แหละก็ยังเป็นได้สั่งสมได้เป็นที่บากบาปได้เป็นที่บากกุศลจิตได้ มันทำด้วยกิเลสกิเลสมันทำก็สังสมกิเลสลงไปอีกซ้ําๆำซ้ำเมื่อไหรมันก็เป็นเมื่อนั้นยิ่งเจตนาเขายิ่งแรงเที่ว่าไม่เจตนามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ไม่แรงอะถ้าบอกมันจัดจ้านมันก็แรงตามลาดับมันมันซับซ้อนลึกซึ้งมากอันนี้นะที่อาตมาอธิบายไปนี่เป็นการทบทวนทบทวนถึงธรรมะของพระเจ้าที่วิเศษเนี่ยอาตมาพูดมานานหลายชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวว่าเล่าก็พูดกันไปนี่แหละ ชาตินี้เป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยอธิบายภาษาไทยชาติก่อนๆไม่ได้เป็นไทยเป็นแขกบาลีก็พูดบาลีไปเป็นแจ๊กก็พูดภาษาแจ๊กไปอมันยายไปพูดไม่ได้ระลึกตัว่าเกิดเป็นชาติไหนเป็นแจ๊กเป็นแขกเป็นอะไรไม่ได้ลึกชาติมาอธิบายหรอกนี่เป็นการทบทวนปรมัตธรรมที่อัตมาน ปรามาจตทำที่อาตมาทบทวนให้ฟังต้องทบทวนเสมอซ้าผู้ที่เข้าใจดีจะรื่นเริงในธรรมจะฟังแล้วก็โอ้โหมันยิ่งกับเพราะเพลงเพราะที่เราชอบที่สรุปฟังเพลงนี้ฟังซ้าฟังซากฟังแล้วมันละเอียดลึกซึ้งลึกซึ้งจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริง ใครไม่เกิดอารมณ์นี้ก็พยายามดูนะ ว, ว่าถ้าเผื่อว่าคุณฟังธรรมแล้วเกิดรดอารมณ์ฟังธรรมแล้วไปเรื่อยเลยจะมันลืมกินดื่มอยู่เลยไม่กินไม่นอนอะไรก็ได้อะไรงี้เป็นต้นมันเป็นจริงๆริอาตมานี่บอกอย่างหนึ่งนะบอกเรื่องให้ฟังอย่างหนึ่งนะพอนอนหลับไปตอนพอพักพอสมควรแล้วเนี่ยทั้งสอหน่อยเนี่ย เทวดาก็มาปลุกแล้วคุยธรรมะคุยธรรมะก็แล้วก็เออเพลินออมันต้องพักหนะ้าเราทำงานมันมากล่ะมันจะไม่มีเวลาพอพยาบาลก็คุมอยู่เนี่ยนมันต้องพักต้องพักต้องพักมันจะพักไม่พออาตมาก็มันเพลินก็พยายาม อ, อ้าหยุดนะ คุยเทวดาคุยมากนึกไปยามหลับนี่ก็เล่าสู่ฟังเรื่องจริงมันจะเป็นอย่างไงแต่มันมันสนุกมันเพลิดเพลินและมันลึกซึง้งอ่ะคุยกับเทวดานี่มีแต่เรื่องลึกซึง้งยิ่งคุยกันตัวต่อตั ว, ตวเทวดาก็บเราเท่านั้นโอ้มันยิ่งยอดเยี่ยมเลยนะ อันนี้ก็เล่าเป็นบุคลาทิฐานให้ฟังสัจจะมันก็เป็นเช่นนั้นนะเทตมาพูดนี่ก็พูดไปก่อนเล่าไปอธิบายไปจนกว่าคนจะถึงวาระถึงบารมีมีเหตุมีปัจจัยอย่างที่อัตมาพูดนี้ก็จะรู้จะเห็นบางคนอาจจะไม่ชาตินี้ก็ไม่เป็นไรรับฟังไว้พอค่อยๆรู้เป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจไปตามลําดับนะเอาละอัตมาได้พูดถึงปารมัณ์ ลึกและหนักมาแล้วอธิบายากระบวนการของธรรมะที่เป็นปรัตญธรรมทบทวนไปแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมกันมาและอาตมาก็พาทำด้วยทฤษฎีแบบนีน้ผู้เข้าใจก็ชัดเจนและก็ได้ประโยชน์ก็เป็นอุปยัตตะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในตัว เป็นกําลังการงานสร่างสรรเป็นสมาอาชีพสมากรรมนต์สมาวาจาสมาสังกปะครบประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ไ ด, ได้ไปในตัวเลยนะไม่ใช่มีแต่ประโยชน์ตนถ้าประโยชน์ตนก็ได้ได้แต่ส่วนตัวมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่อะไรกับใครกุศลก่อนน้อยเหตุปัจจัยก่อนน้อยก่จะครบคันครบด้วยสัมผัสด้โมกเป็ดด้วยกาย เกิดสมับปัญญาที่จะบริบูรณ์แล้วก็จะต้องรู้อาสวะที่มันกระทบสมผัสจากตาหูจมูกดิ้นกายจากข้างนอกมาหมดซึ่งเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนานาเราไม่รู้เหตุตัวตนวิบากถ้าเราไม่ได้พบตัวตนของผู้ที่เป็นเหตุแห่งวิบากมันไม่แรงหรอกตัวตนของคู่วิบากเนี่ยโอ้โหสำคัญนะ มันแย่กิเลสเรามาร้ายมากเลยตัวตนคู่คู่ห้ําหันไม่ว่าเชิงรักเชิงชังหรอกคู่บูหรือคู่บุญแล้วแต่คู่วิบากเนี่ยโอ้โหเป็นตัวยั่วกิเลสให้เกิดะนะเพราะงั้นคนไม่รู้ตัวมักจ ะ, ะรู้สึกเมื่อแต่และคนบางคนไอคนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะสั กันแล้มันไม่ก็จะกินเงินเลยแต่คนนี้นะเออทำอะไ ร, ร, รกันดีด้วยกันถูกใจจังเลยอะไรเงี้ยนะมันเป็นเหตุปัจจัยที่อจินไต่มากเป็นเหตุปัจจัยที่ลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุปัจจัยคนนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยโดยเฉพาะเป็นกรรมวิบากกันนี่แหละมันจะคุยกิเลสออกมาให้ล้างได้ดีนักเพราะฉะนั้น มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจึงเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาเลยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของประมจันท์เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของธรรมาวิไนยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพุทธธรรมเลยฟังให้ลึกซึ้งฟังให้เข้าใจเถอะพระอนุพ์พอเข้าใจตนๆโอ้โหมิตรดีสหายดีพอเข้าใจตนๆยังไม่ครบ เป็นครึ่งหนึ่งของโรโมจั่นเลยนะพยาค่ะน่าอวดดีบอกผูเจ้าบอกอนอนท์เธอผิดไปแล้วไม่ใช่ครึ่งหนึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเลยของโรโมชัน่นมิตรดีสหายทีส่สิ่งแวดล้อมดีเพราะเหตุปัจจัยที่มันล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยลดินน้ำไฟลมแล้วก็เหตุปจัจจัยต่างๆที่เราทํา ง, งานอยู่ด้วยเนี่ยเป็นงานการ เป็นการกระทํานั้นๆเขาจะสัมผัดเกี่ยวข้องทั้งนั้นซึ่งเราจะต้องมีสติสัพจัญญารู้รอบว่าอะไรสัมผัสกับเราอะไรเกี่ยวข้องกับเราเราจะต้องจัดการยังไงมันจะเป็นตัวเหตุทําให้เราเกิดกิเลสได้ทั้งนั้นแล้วเราก็ต้องอ่านให้มันทันรู้ใม่นได้แล้วมันก็จะได้ปฏิบัติลดละกิเลสเราซึ่งเราก็แบ่งเอาอันนี้ยังไม่อยู่ในกรอบที่เราจะปฏิบัตินอกคอนเซปต์ว่างเถอะ นอกคอนเท็กต์นอกบริบทที่เราจะปฏิบัติไม่ใช่คอนเซปต์คนเซปต์มันกว้างไปคอนเท็ก์นอกบริบทที่เราจะปฏิบัติเราสิ้นห้าเป็นต้นนี่คือบริบทของเราสิ้นแปดเป็นบริบทของเราคนนี้าเราเพิ่มอาิตย์ส้นได้เป็นสิ้นแปดก็บริบทของเราคอนเท็ส์ของเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำในกรอบของเรานี่แหละ เกินกว่านั้นเอาไว้ก่อนเราเอาแล้วเลือกแล้วว่าไอ้ตัวนี้ตัวร้ายของเราอ่ะตัวนั้นมันเราไปก่อนยังยังไม่อ่ะมันเป็นไปไรเอาตัวนี้จัด ก, การตัวนี้ได้แล้วเราจะมีทุนเราจะมีทุนรอนเราจะมีทุนรอน <PM. S 2> เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปสู้อ้นนมันก็ไม่ร้ายแรงเท่าไอ้ตัวที่เราทําก่อนเนเรียกว่าสกายะเนี่ยอัตราตัวแรกเนี่ยตัวตนของตัวการแรกที่เราจะจัด ก, การกับมัน มันเมื่อเราสามารถทําได้แม้คุณจะไม่รู้อย่างที่อาตมาอธิบายละเอียดในฟังนี่ก็ตามแต่หนึ่งพวกคุณมีบา ร, รมีสองแล้วก็ฟังพอเข้าใจได้โดยปริยายมันโดยไม่ได้ทําโดยละเอียดเมื่ออย่างที่อาตมาอธิบายแต่มันก็ทําเพราะฉะนั้นก็จึงมีภาวะที่ได้บ้างมันก็ได้ไปบ้างได้แนละ้วจึงมันเกิดผลทึ่ได้เกิดมารวมกันอย่างเงี้ย ก็ได้กันมาตามลำดับตามลาดับตามลาดับมันยังไม่เป็นภาษามันยังไม่ร้อยเรียงมันยังไม่เรียบเรียงอะไรทีเดียวหรอกแหมอัตมาจะพูดยมันที่จะพูดเมื่อกี้นี่แวบบขึ้นมาจะพูดเนี่ยมันเป็นการอวดตัวอวดตนใหญ่ๆนะเอาเถอะไม่พูดดีกว่าน่า อยู่ไปแล้วจะรู้ว่าธรรมาเป็นใครนะจะรู้ว่าธรรมามาพูดอะไรแลนะ้วทำไมพูดได้อย่างนี้แล้วคุณจะรู้สุดท้ายอย่างนี้คุบอกอ๋อปินาถึงพูดได้ขนาดนี้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่อยากจะพูดคุยเสียใหญ่เลยนะั่นองนะเอาละพอพอพูดแค่นี้ก็พอ ปฏิบัติไปตั้งใจปฏิบัติดีๆทุกวันนี้เนี่ยอโศ์เราได้ตั้งหลักขอใช้คำว่าตั้งหลักตั้งหลักมาแล้วก็เกิดจนกระทั่งพวกเราหลายผู้หลายคนเห็นว่าโอ้ยนี่มันจะไปกันใหญ่หรือเปล่ามันจะมากไป การงานก็มากไปเปิดกว้างก็กว้างไปมีเหตุปัจจัยก็เยอะไปเกี่ยวข้องกับกิจการกิจกรรมอะไรก็จะหนักจะยุ่งไปลนะน้านี่น้าเนี่ยหลายคนก็เกรงคุณเกรงน่ะอาตมาว่ายังน้อยก็อาตมาเกรงนะ ถ้าคุณเกรงนะว่าจะเป็ น, นอาตมาว่าอาตมาน่าจะต้องรู้ก่อนคุณน่าจะรู้ยิ่งกว่าคุณนะน้าจะเครงยิ่งกว่าคุณนะเอ้ยนี่เราทำมาได้มือนี่มันจะล้มแล้วนะเนี่ยนะใช่ไหมอาตมาไม่เกรงไม่กลัวมันจะล้มยิ่งกว่าคุณเล้วใช่ไหมอาตมาก็ดูอยู่แล้วก็ดูอะไรแต่ อ, อะไรมันเกิดึุณก็ประมาณอาตมาไม่ได้พูดเล่นหรอาตมาจะใช้สัพพุริษธรรมเจ็ ช้มหาประเทศสี่ประมาณจั ด, ดูทุกทุกอย่างอยู่นะอะไรที่มันหลอดหูลอดตาไม่รู้ได้ว่ามันเป็นนอกเนื้อไปกว่า อ, อันนั้นก็แน่นอนแหละก็ต้องหยุดกันห้ามกันเบรกกันต ง, งับกันก่อนอย่าเพิ่งต่อไปอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำก็ว่ากันไปนะสิ่งที่ควรทำก็แม้อตมายังไม่เริ่มรู้แต่มารู้ทีหลังก็ไม่เป็นไร ถ้าเผื่อว่าเห็นแล้วว่าเอออันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรจะเบรกหรอกปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยไว้ได้ก็ไปไปบางทีก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซึ่ง ร, รู้รู้แล้วล่ะที่จริงก็รู้แล้วแต่ว่าเออมันไม่มีปัญหาอะไรก็มันดีๆก็ว่าไปแต่อะไรที่มันไม่ดีเห็นรู้แล้วเออก็ต้องหยุดต้องห้ามกันแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ต้องห้ามกัน เรื่องอะไรควรทำก็บอกกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็บอกไปอย่างนั้นอย่างนี้แหละถ้าใครมีปฏิพานไม่ต้องบอกก็ทำไปเองก็ดีแล้วอาตมาก็ต้องขอบคุณอยู่พวกเราช่วยกันทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานของหมู่กลุ่มการงานที่ทำในชีวิตของเรานี่แหละอายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาตมาเดิ น, ดนไปเดินดูโอ้เห็นต้อนอยาง ที่ปลูกกันมามันกำมังนมันไม่ตายแต่เพราะน้ําท่วมไม่ถึงพอเป็นไปได้มีตายบ้างแต่น้อยอัตมาอยังพูดก็ปรึชษาเลยว่าเออถ้าต้นยางกอเรานีมันโตน่ามากพระสมควรเนี่ยนะอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยโอ้โห้ต้นยางเราจะใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้มันจะไม่ใหญ่มันมีไอ้ต้นเครือไม้อะไรไม่รู้ไปเรื้อยคลุมไปเจาะเลย อก็ไม่เห็นมีใครคิดว่าเออไอนี่มันต้นยางเราจะไปไม่รอดนะเนี่ยมันเหมือนกับอากาฝากระแต่ต้นยางมันยังน้อยอยู่ยังมันตัวเล็กอยู่ต้นน้อยจําต้นเล็กอยู่ไอกาฝากนี่มันขึ้นไปคลุมโตเลยเลยมันไปไม่ออกน่ะตายแน่ตายไม่รอดหรอกหลายต้นถึงรอดก็ไปช้าเพราะมันจะถูกถูกไอพวกนี้งําหรือว่าดีไม่ดีมันก็ ทำงานข้ามันไม่เต็มที่อ่ะเพราะงั้นก็ว่าใครจะมีปฏิภาณไปช่วยดูดูต้นยางเนี่ยเอาต้นไอต้มันเลือยเต็มมันเลื่อยคลุมอ่ะเยอะเลยน่ะช่วยดูแลนะอะไรนะรับผิดชอบเองเอ้าวขอบคุณอ้าวดีเนี่ยมีปฏิภานดูแลอยู่ก็ดีนะ นี่ก็บอกควรทำก็ช่วยกันทำไอสิ่งไม่ควรทำสิ่งหนึ่งนี่คืออาตมาไปเห็นตัดต้นจานสองต้นฝีมือเด็กว ง, งางินเด็กสายไฟฟ้าโอ้โหตัดลงไปได้ยังไงไม่บอกไม่กล่าวกันไม่มีใครรู้เลยแล้วตัดยังไงใครปรึกษาใครยังไง ผู้ใหญ่คนไหนอนุญาตให้ตัดต้นจานไม่ใช่ต้นเล็กต้นขนาดนี้แล้วตัดลงไปเลยได้ฟัง แ, แววว่าเขาจะเดินสายไฟจะเดินไฟมันขวางทางใช่ไหมก็ตัดมันเลยมันขวางขนาดไหนแล้วมันสมควรจะตัดไม่ตัดจะหาทางเลี่ยงได้อย่างไรไม่ปรึกษาผู้ใหญ่แต่ตัดเลย อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างหนึ่งในสังคมเราต้นไม้ทุกต้นเราปลูกมาด้วยมือแล้วเรารักต้นไม้ต้องมีความเข้าใจอันนี้กันนะกำลังตามหาตัวอยู่ใครเขาจะเรียกมาบอกก็ดีหรอกทำงานนะดีแต่จะต้องมีปฏิพานปัญญาในการทำงานว่าอะไรมันเสียอะไรมันดีอะไรมันผิดอะไรมันถูก ควรไม่ควรแค่ไหนอาตมาไปเห็นวันนี้เขาบอกนี่เพิ่งตัดไม่รู้ตัดเมื่อไรก็เดินเดินอยู่เสมอแล้วก็เห็นกนี่มันไม่ไกลไกลๆก็เดินไปก็เห็ น, นต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้หลไดๆอย่างก็รู้ว่าสังคมเราเนี่ อะไรควรระมัดระวังควรช่วยกันรักษาหรือช่วยกันดูแลช่วยกันอทําควรทำไอ้อย่างนี้ต้นนี้เอาลงต้นที่มันจะไปคลุมไอ้ต้นยางอ่ะเอาลงแต่ก็ไม่ถ้ามันไม่ไม่ไม่ไม่ไปตัดมันได้ไม่ไปให้มันไปทางอื่นได้ไม่ต้องอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะอะไรก็อาตมาพูดไม่ได้หรอกเรียผิดศีลผิดวินัยไม่ถูกอ่ะ ก็ช่วยกันทำอย่างนี้เป็นต้นเรื่องงานอะไรอื่นๆในพวกเรานี้ซึ่งก็เป็นงานที่พวกเราช่วยกันทำสาธารณะโภคีที่เราเป็นอยู่ร่วมกันนซึ่งเป็นเรื่องที่วิเศษมากเลยพูดยังไงยังไงอาตมาก็ใครจะหาว่าอาตมาหลงก็สั่งใครจะหาว่าโอยละมือเพลาะพกหลงหลงตัวหลงตนหลงอะไรก็ไม่รู้ หลงท่วาเนี่ก็คืออัตมาภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดที่เป็นเนี่ยหมู่เราพฤติกรรมของหมู่เราอะไรพวกนี้เอาเธอมันจะมีข้อบอกพร่องตำหนิไปเมื่อกี้ก็มันก็เป็นธรรมดามันก็มีบ้างก็บอกกันแรงๆก็บอกไปเบาๆก็บอกไปตามควรแต่ส่วนมากก็ช่วยกันสร้างสรรค์อยู่เป็นส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ก็ก้าวหน้าไปได้อยู่เรื่อย กว่าจะมาเป็นระบบประบอบบุญนิยมขึ้นขั้นสาธารณโภคีอย่างนี้นอาตมาว่าถกลางสังคมยุคนี้ที่เป็นสังคมเลวร้ายรุนแรงคนแห่งแกะตัวจัดเอามารวมตัวกันแล้วก็มาอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ง่ายที่มารวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไม่ง่ายคือมารวมตัวกันอยู่โดยไม่ให้อามิตเป็นเหยื่อเลย เอามารวมตัวกันอยู่ไม่ให้อามิตรเป็นเหยื่อเลยไม่เห็นลาะยศสันเซินโลกีสุขอะไรไปประโลมใจเลยเอออยู่รวมกันได้แล้วก็ร่วมกันทำสร้างสรรค์ตัณลงอะไรไปมันเป็นเรื่องอภินิหารมันเป็นเรื่องมหาศจจันรย์ใครจะหาว่าจะมาหลงก็ไม่เป็นไร แต่ตอาตมาว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องมหาศัจจันท์ที่ในยุคนี้เป็นไปได้ยิ่งมหัศจจันท์เพราะเป็นเรื่องยากแน่ใช่ไหมใช้ปฏิพันธ์คิดนิดหน่อยที่อาตมาถามเนี่ยโจทย์ที่อาตมาถามใช่ไหมมันยากแน่ยุคนี้โอ้โหต่างคนต่างขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวลาบยศสันเซินโลกีสุขจะสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้มันมอมเมากรันไม่ได้หยุดยั้งเลยอะไรก็สุขอะไรก็สุข ต้มกันโอ้โหสอสุกกอไก่นี่มันต้มกันจังเลยต้มกันสารพัดปรุงแต่งมาต้มร อ, อ ก, กันทุกวินาทีทุกเสร็จร่อยเสร็จไม่ต้องเสษเลยยิ่งกว่าวินาทีมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของวินาทีอีกะ มันเพิ่มพลังหลอกพลังมอมเมาสาหัสสากันมากเลยนะกเราที่เห็นเห็นกันและกันอยู่ในสังคมพวกเราเนี่ยคนที่ข ย, ยันมันเพียงเอาภาระขนขวายเอาใจใส่เป็นปัญญาข้อที่ห้าของปัญญาโสดาบัน ใครตอบได้มัข้อที่หปัญญาอสโสดาบันว่าะขนขวายทากิจน้อยใหญ่ของมูสหธรรมิกนะช่วยขนขวายทากิจพร้อมกันนั้นก็เพ่งเล็งในเรื่องปฏิบัติธรรมไปด้วย เพ่งเล็งนี่ก็คือเพ่งเผาเพ่งฌานปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่าง ป, ปกติอะเราปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทำทุกขณะทุกการงานทุกอาชีวกรรมมันตะวาจาสังกัปปะเหมือนแม่โคเลี้ยงลูกไปดูแลลูกไปเล็มยงาให้ตัวเองไปได้ประโยชน์สองอย่างนี่คือข้อที่ห้าของ ญาณหรือปัญญาของโซดาบันพราะพููที่เป็นอาริยะเริ่มต้นก็จะมีญาณเจ็ดนี่แหละจะมีญาณเจ็ดเนี่ยเนี่ยทมาคนเน้นข้อที่ห้าให้ฟังว่าพวกเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค้นคว้าไม่เอาภาระงานการก้องหมูโ่โตแบาคนาก็ทำนากนะโอ้เอาภาระบุญเราก็ ลอยไปลอยมาแวะนั่นแวะนี่อะไรแต่ไรไปตามเรื่องไม่เอาภาระอะไรก็ศึกษาดีๆประพฤตินตนให้มันได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันควรไม่งั้นมันก็ช้าแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อนิสงส์อันที่สมบูรณ์ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนมันก็มิชา้าจิติมันก็ไม่เข้าใจครบมันก็ไม่บริบูร์อะไรแต่อะไรต่างๆนาน า, นายอยู่เรื่อยแหละ แต่ถ้าปฏิบัติครบถูกต้องสมาธิติทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่อาตมาอ้างอองมายืนยันเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ยไม่ได้โมเมขอยืนยันเราไม่ได้มเมและของเรานี่บุญดีกุศลดีมากที่มันมีตัวอย่างที่จะมาใช้ยกตัวอย่างได้เลยมันมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ะนะนะพวกเราไม่ค่อยช่างที่จะไป จู่จี้จุกจิตบังคับว่ากันดุกันเตือนอะไรกันก็เตือนกันบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงก็ดีเรียบร้อยดีโดยให้สำนึกให้เกิดจิตสำนึกให้เกิดความเข้าใจเองแล้วก็รู้ขนขวายเองนะภาคเพียรเอง ลองอธิบายธรรมะข้อบุญกริยาวัตถุสิบดูที่จริงบุญกริยาวัตถุพระเจ้ า, าท่านสอนไว้เนี่ยสามแค่นั้นแหละทานามัยศีลมัยภาวนาไม่ส่วนอีกเจ็ดข้อนั้นน่ะอาตมาไม่รู้นะว่าพราะเจ้าสอนไว้โดยที่เขาไม่ได้เก็บมาในตาราหรือว่าในปฏิปิบดของเทรวาทที่เราใช้กันอยู่เนี่ย อาจจะเป็นของพุทธเจ้าก็ได้แต่มีอยู่ในอัตถคถาจาย์อัตถคถาจารย์ฐฐฐาารหลายรูปท่านเก็บของพุทธเจ้ามาจากไม่ได้รวบรวมไว้ในนี้มันก็เป็นของพุทธเจ้าแต่เราไม่รู้แต่เป็นรวมอยู่ในอัตถคถาจารหลายอย่างก็แน่นอนไปขออัตถคถาจารย์บัญญัติขึ้นมาเองก็มีแต่ก็อยู่ในเรื่องก็มีนอกเรื่องก็มีอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อาตมาไม่รู้จะไปชี้ยังไงชี้ไม่ได้ มันมากมายหลากหลายอาตมาก็ไม่รู้เก่งนึง่งขนาจะไปชี้ขนาดนั้นได้บุญกิริยาวัตถุสามปฏิบัติธรรมก็บุญคือการชำระ ก, กิเลสยํำนะสัมทับให้ฟังเลยว่าบุญนี่คือการชำระ ก, กิเลสนี่เป็นคุณงามความดีมันจะได้บุญคือได้ชำระ ก, กิเลสส่วนได กุศลได้เรื่องดีงามได้คนงามความดีโลกีต่าง ๆ, างๆนานาอะไรอื่นๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งไม่ใช่การชรําระกิเลสเนี่ยมันก็เป็นกุศลและก็ปนเปกันหมดทุกวันนี้ก็เรียกเป็นบุญไปหมดอาตมาก็เลยพลอยมาเพล๋อใช้คําว่าบุญร่วมไปด้วยไอ้ตั้งตั้งติตัวนี้มันไม่ใช่การรกกะกิเลสแล้ก็เพลอเพราะมันใช้กันมาจนกระทั่งมันกลายเป็นภาษาไทยที่มัน เพียพาเพียรไปเยอะแล้วเพราะาทานให้เป็นบุญทานทำไมไม่แปลว่าสำเร็จสำเร็จผลทานทำไมผู้ดใดทานไม่เป็นผลอัจฉิทินังทานแล้วไม่เกิดผลก็เพราะว่าไม่เข้าใจไม่ได้ฟังอุทเทศไม่ได้ฟังคำบรรยายไม่ได้ฟังคำอธิบาย ของผู้รู้ของสัตตบุรุษถึงแม้ฟังก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ฟังไม่ค่อยเข้าใจฟังไม่บริบูรณ์นะครบสัตตบุรุษไม่บริบูรณ์ได้ฟังทำไม่บริบูรณ์ก็เลยศรัทธาไม่บริบูรณ์ศรัทธาคือเชื่อหรือรู้รู้ไม่บริบูรณ์เชื่อไม่บริบูรณ์ก็ปฏิบัติไม่บริบูรณ์ม คบคบสับตยมรุจบริบูรณ์ดีตั้งใจสนใจเข้าใกล้โสเงี่ยโสดสดับตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองเลือกเฟ้นแล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเองเกิดได้สัศ ร, รัทธาดีนะเชื่อถูกเชื่อดีรู้ดีโยนิโสมนสิการก็ดีได้ปฏิบัติธรรมโยนิโสก็คือปฏิบัติ ทำใจในใจได้แยบขายทองแท้ลงไปถึงแดนเกิดมณสิการคือสัมภะคือแดนเกิดทำให้กิเลสตายแล้วเราก็เกิดเป็นอริยะบุคคลเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆตามจริงเพราะนันผู้ใดทานอย่างไม่สมาธิทำใจในใจมณสิการ มันเริ่มมณสิกโรติเป็นคํากริยามาสิกานเป็นคํานามทําใจในใจไม่เป็นทําทานก็ไม่ให้ใจมันลดละกิเลสไม่เป็นบุญก็เรียกว่าทําทานได้กุศลได้แต่คุณงามความดีของสังคมศาสตร์แต่ไม่ได้ทางปรมัตา์ไม่ได้ไม่ได้ทางวิชาศาสตร์วิชานะ ศาสตราทางวิชาความรู้ทางธรรมะทีะเป็นเพิ่มวิชาละอวิชาเนี่ยมันไม่ได้มันได้กุศลเท่านั้นมันได้แก่สังมันได้แค่สังคมศาสต ร, ร์ใครก็ว่าดีตำทานและโดยเศรษฐกิจโลกมันก็ดีคุณให้คนอื่นมันก็ดีเท่านั้นนะมันก็หมุนเวียนมันก็ช่วยเหลือคนอื่นเกื้อกูลโลกต้องการการให้การเฉลีย่ยแบ่งแจกคนอื่นทัางนั้นนะไม่โลกไม่ต้องการเอามาให้แก่ตนหรอก เพราะงั้นคุณทําตนเองไม่ต้องเอามาให้แก่ตนเลยนี่โลกไม่เสื่อมหรอกคุณขยันมันเพียรสร้างสารรค์กินของตนเองพอกินพอใช้ขยันมันเพียรสร้างแล้วก็เหลือแจกแจกแจกให้พู้อื่นแล้วก็สร้างสร้า ง, างกินไม่ต้องไปเบียดเบียนเอาของใครเลยเนี่ยโลกไม่เสื่อมหรอกแต่งอมืองอ้าเอาแต่ของคนอื่นอาศัยคนอื่นกินอาศัยคนอื่นใช้ไม่จะไปเบียดเบียนมีอะไรนี่แหละเสื่อม เพราะการให้หรือทานเนี่ยมันรู้ทั้งโล ก, กียะมันรู้ทั้งโลกุตระเพราะยานการให้ทางนอกเท่านั้นกายวาจาใจอาชีพให้โดยทางรูปนอกก็ดีเป็นกุศลก็ได้จะบอกว่าเป็นกรรมานางังเป็นผลวิบากเป็นเป็นผลโล ก, กีเป็นกุศลโล ก, กี เพราะยัาคนทำกุศลโลกีเนี่ยยังให้คุณให้มากๆากคุณก็ได้ทรั์ไว้เหมือนคุณฝากแบง์อะแล้วดอกแพงนะฝากแบง์ของทางธรรมเนี่ยนะดอกสูงนะยิ่งประมัตเนี่ยยิ่งสูงใหญ่เลยฝากโดยที่เรียกว่าโอ้โหฝากลืมเลยฝากไม่เกี่ยงเลยใช่ไหมธนาคารก็ชอบนะฝากลืมเนยเหมือนกันใช่ไหมอ่าฝากลืมเลยไม่คิดถึงเลย แล้วโลกุตระจะเป็นอย่งังไงฝากประจำนี่ได้ก็ดีกาฝากจอนอธนาคารก็ชอบอย่างนั้นนะได้ดอกสูงอันนี้พูดคล้ายกันยกตัวอย่างลปทั้งโลกก็ใช่คุณทำแล้วคุณได้ให้เขาใจของคุณทำใจในใจเป็นคุณไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยใจของคุณลดโลภลดเห็นแก่ได้ไม่เอา ถึงกระทั่งไม่มีลาเพนลาพังนิชิเคงสนตาไม่ต้องการลาอะไรแลกเปลี่ยนเลยจิตไม่คิดไม่ตั้งไม่มีที่จะต้องการอะไรแลกเปลี่ยนนั่นคือสูงสุดทานที่เป็นผลอัติทินังทานแล้วมีผลอย่างแน่นอนเอาละไม่ต้องยาวพวกเราพอเข้าใจพระพูดมากแล้ว ศีลไมยศีลไมยก็คือยึดถังนั่นแหละทินนังยึดถังหุตังนี่แหละสามอันนี่แหละทินนังยทดถังหุตังก็คือทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่แหละแตอธิบายในยะที่มันละเอียดลึกซึ่งมันก็ต่างกันไปบ้างแต่อันเดียวกันแกนแกนเดียวกันศีลไมยก็อันเดียวกันกับยันยปิธีที่บูชาแล้วมีผลหรือไม่มีผล ถ้ามีผลก็หมายความว่าวิธีปฏิบัติของคุณเนี่ยบูชาแล้วเป็นการปฏิบัติ ně? บูชาไม่ใช่อามิธบูชาแล้วทานธทานธรมัยนะอามิธบูชาปฏิบัติโดยการให้วัตถุหรือให้แรงงานเอ้าหรือให้ความรู้ก็ได้เอ้าให้ความรู้ก็ได้ให้ความรู้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานก็ได้เอ้าเอาก็ว่าไป แต่ไอตัวยิตถังเนี่ยมันคือวิธีการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันมีผลไหมละ่ะคือลดกิเลสไม่เกิดบุญไหมเป็นบุญกิริยาวัตถุก็ศีลลใหม่มันพิธีก็บอกยันย์พิธีก็ฟังแล้วทุกคนก็นไปนึกถึงโอโหทำยันยพิธีก่อกองไฟขึ้นแล้วก็เอาแพะมาเผาส่งไปให้พิธีส่งไปให้เจ้า หรืออะไรก็แล้วแต่หรือพิธีอย่างกองอย่างงานพิธีของจีนนะนะงานอะไรอ่ะอ่ะจะกองเต๊กกงเต๊กกรเผาเอาไมอาได้อะไรก็แล้วแต่แม้แต่ ง, งานทำพิธีไหว้เจ้าอะไรอะไรอยู่ก็แล้วแต่เถอะแเราก็ไปนึกว่าวิธีกรรมวิธีแบบนั้นก็ใช่ถ้าคุณเข้าใจนะไหว้เจ้าก็ได้ ทำรักกิเลสถ้าคุณเข้าใจแล้วทีนี้จะพูดถึงว่าเจ้าให้ฟังนิดหนึง่งแวะนิดหนึง่งถ้าไหว้เจ้าโดยที่เรารู้ว่าเจ้าควรไหว้นี่คือพระคุณเจ้าหรือจะเป็นพระเป็นเจ้าที่ท่านเป็นสัตตบุรุษก็ควรไป ไหว้ท่านไปสงเคราะห์ท่านอะไรก็แล้วแต่ไปสงเคราะห์ท่านท่านเออท่าจะสงเคราะห์วัตถุสงเคราะห์ช่วยงานการสงเคราะห์ช่วยแรงงานสงเคราะห์ช่วยอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือไหว้เจ้าฟังเข้าใจไหมฮะไอไหว้เจ้าทำไมอย่างนั้นน่ะมัน ไม่ได้อะไรหรอกแต่มันก็ดีรู้จักสิ่งที่น่าเคารพเจ้าคือสิ่งที่น่าเคารพนะอะไรเดี๋ยวมันจะยาวยืดยาวไปเพระเาะฉะนั้นในการปฏิบัติยึดถังนี่มีพิธีการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วนี่มันได้ชําระกิเลสไหมถ้าไม่ได้ชําระกิเลสไม่เกิดบุญไม่ยังไม่รู้ ว, วิธีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะปฏิบัติบูบชา ปฏิบัติกระทำสิ่งที่ดีงามประพฤติสิ่งที่ดีมันได้สำรอกกิเลสมันได้ละกิเลสไหมถ้าไม่ได้ละกิเลสนัตติทินะนัติยิตธังไม่เกิดผลไม่ได้ถ้าจะได้สังคมศาสตร์ก็ได้อย่างที่อธิบายทานเมื่อกี้เป็นสังคมศาสตร์เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ในสังคมก็ได้ ส่วนข้อสามบุญกิริยาวัตถุข้อสาภาวนาหมายแปลว่าการเกิดผลแต่เดียวนี้เพี้ยนไปเป็นการท่องการบนเป็นการภาวนาอะไรก็หมายรู้ปฏิบัติมาไปแปลว่าปฏิบัติก็ยังดีนะแต่มันก็ไม่ใช่มันเป็นผลของการทานเป็นผลของการปฏิบัติเป็นผลของทินนังเป็นผลของยิฐถังหรือเป็นผลของทานเป็นผลของศีพลพรดที่ปฏิบัติ เป็นผลก็คขาหนึ่งเขสองะ่ะผลมันท่นถึงแปลว่าสังเวยที่บูชาแล้วมีผลหรือไม่มีผลนะสังเวยที่บูชาแล้วเขาสามก็คือว่าทําแล้วมันได้เสเวยผลไม่จิตเรานี่แหละได้เสเวยผลไหมเสเวย อ, อะไรอ่ะเสเวยผลที่ละกิเลสออกจางคลายออกนี่เป็นผลเป็นลง ก, กุตรผลเป็นผลอริยธรรม ต้องเรียนรู้ต้องรู้ต้องอ่านออกเพราะการเกิดผลภาวนาใหม่เนี่ยมันก็คือหุดตังคือจิตของคุณได้เสเวยผลไหมได้ผลคือลดกิเลสละกิเลสได้ไหมเพราะการว่าบุญนี่เป็นสิ่งที่เอาออกไม่ใช่ได้มามันย้อนแย้งอีกภาษาเอาอะไรออกเอากิเลสออกได้มาไหมได้การเจริญภาวนาแปลว่าการความเจริญ ได้ความเจริญได้ภาวนาได้ภาวะนะภาวติเป็นความเจริญนะได้ความพัฒนาการทางจิตขึ้นมาจิตที่เจริญขึ้นมาคืออะไรคือเอาออกได้เอากิเลสออกได้ชาระกิเลสออกได้และคือความเจริญเป็นภาวนาไม่เป็นการเกิดผลเป็นบุญนี่คือหลักสามหลักใหญ่ใหญ่ ส่วนขั้นต่อไปเวียวัจจัยอะปั จ, จยนามัยอปั จ, จยนามัยนั่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนมีลึกซึ้งการอ่อนน้อมถ่อมตนคือไม่แข็งไม่กระด้างนะเป็นคนที่เข้ากับมูได้อย่างสุภาเพเรียบร้อยช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ ถือตัวถือตนไม่ยิงพยองว่างจริงก็คือเป็นคนที่รับใช้เป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่เกื้อกูลนั่นคือคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือดีไม่ถือตัวไม่ยิงพยองอะไรเป็นคนเข้าคนโอ้ยสบาย เหมือนคนรับใช้ไปเรื่อยๆแต่ก็มีความรู้ความสามารถจนคนเขาไม่กล้าที่จะมันลบหลูล่เราว่าเราเป็นคนรับใช้มีแต่ขอบคุณมีแต่จะชื่นใจนอกจากคนกิเลสนั้นหนาเห็นว่าโอ้ยที่เขามาช่วยงานเราก็มาอะไรๆเขาเก่งก็อะไรอะไรเราก็พยองว่าโอ้เราใหญ่คนมาช่วยคนมารับใช้อะไรเงี้ยบาใหญ่เลย ยกตัวอย่างอย่างอาตมาเนี่ยถ้าใครมาโอ้โหมาช่วยเนีนี่นะแวนเขามารับใช้เราใหญ่เลยดีโอใจบ้าเลยบ้าไปใหญ่เลยนะอ่ะมันเยอะไงบ้าไปใหญ่เลยเพราะเอาน้ อ, อมทำตนจะต้องเข้าใจได้ไม่ใช่ว่ามีแต่ไปไหว้เข้าว่าน้ อ, อมทำตนก็มีแต่ว่ายไม่ใช่แค่นี้มันเล็กไปมันน้อยไปมันนิดหน่อยเอง ไม่ต้องไปไหว้เว่ยกันได้ทำงานทำการขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือเกือ้อกูลมีน้ำใจอ่ะคนอ่อนน้อมท ม, ท ม, ทมตนเพราะถ้าเราไม่เป็นเช่นนี้เราก็เวยยว่าจะไม่ขนขวายมันไม่ทํามันไม่ฝึกมันไม่เป็นขนขวายเข้าขนขวายเข้ารู้จงไงะไหม่าภาษาไทยขนขวายอ่ะอ่านขนนะขอวนอันนีอ่านขนนะ อย่าไปอ่านขวานนะไม่ใช่ขวานอ่านมันก็ขนนั่นแหละขนน่ะแต่มันก็ขนมันออกเสียงขนนะขนมันไม่มีสระอาไม่ใช่มันไม่ใช่ขวานนะสระอามันจะเป็นขวานไม่มีสะระอามันขนเนี่ยขนขวนวมันก็ออกเสียงไปหาโนไปหาทางขนขวนขวายพยายามอ่ ใครบังคับเราไม่ได้เราจะขนขวายมีเราบังคับเราเองเรามีปัญญาเรารู้เองว่าเราจะขนขวายเอ๊นี่เราหน้าทำอันนี้เราน่าจะต้องทำมันไม่ทำมันไม่ชำนาญมันไม่อยากทำก็มันดีทำดูสิไม่งั้ น, นก็กรนิดเนือ น, น, น, นอยู่งั้นน่ตายแล้วอีกกี่ชาติก็เนื้ออยู่งั้นน่ยไม่มีความขนขวายในชีวิต เมื่อคนคน้นคว้าคล่องแคล่วรู้จักอะไรทาจะเป็นคนที่โอ้โหคล่องแคล่วววัยเป็นคนมีกรรมญตาในคําว่ากรรมญตานี่ภาษาอีกคำหนึ่งท่าเรียกว่ากรรมนิยะเป็นคนที่ทํางานได้ดีได้เหมาะได้ควรได้คล่องได้แคล่วท่านถึงแปลว่าคล่องแคล่วในการงานกรรมัญญตาหรือกรรมนิยะกรรมนิยะเป็นภาคมักเป็นภาคที่ฝึกปลืออยู่ ให้จิตมันเกิดสมาธิเป็นองค์ธรรมองค์หนึ่งของสมาธิกรมมันยะส่วนกรมมันมัญญานั้นเป็นองค์ธรรมของเป็นสมาธิตัวปลายตัวผลเป็นตัว อ, องค์ธรรมของอุเบกขากัมมัญญตากัมมัญญากรมมัญญาท่างก็แปลซ้าๆกันเธอไม่จำไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่งั้มันมันมันเป็นการงานที่ ดีแล้วอ่ะมันเป็นการงานที่มีจิตอิน ญ, ญามีปัญญารู้มันคล่องตัวมันช่วยงานก็ไปหมดมันเข้าใจกันไปหมดมันโอ้โหปาดเปรี่ยวแคล่วคล่องอะไรก็แล้วแต่มันดีอ่ะอย่างนี้เป็นกรรมมัญญตาเป็นความคล่องแคล่วนะทั้งข้างนอกข้างในก็เรียกว่ากายกรรมมัญยตาถ้าเรียกกลางกลางก็เรียกกรรมมัญญตาถ้ามีคําว่า กายก็คือทั้งข้างนอกข้างในพร้อมทำงานท่องตัวอยู่โดยจิตครอบองโดยจิตร่วมกันทำมีการปรุงแต่งอยู่มีสังขารอยู่รู้จักเวทนารู้จกักสัญญาเป็นมีเจตสิกสามทำงานอยู่ร่วมเต็มวิญญาณเนีผู้นี้ก็จะมีสังขารอยู่เต็มเป็นอภิสังขาร อย่างเข้าคลองวองไวอย่างกาดเปรียวอย่างนี้เป็นต้ น, นเพราะฉะนั้นขนขวายก็ดีอ่อนน้อมทรมตนอับปัญญานมัยก็ดีนะก็เป็นบุญกิยาวัตถุอีกสองที่มันเจริญาะการเจริญของศาสน า, าพุทธนั้น เจริญนิทานนามัยสีนามัยภาวนาไมแล้วมันจะเจริญอปปจายานามั ย, ม ย, มยะม จ, ะจะเจริญเวายาวัจจะไมอีกสองปฏิทานนามัยกับปตานาุโมทนาไมปฏิทานนามัยก็หมายความว่าเข้าไปถึงปฏินิประการเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงทานปฏิาทานทานนามัยตัวหลังเนี่ย เพราะฉะนั้นการเจริญจริงของทานน้ำใหมอธิบายไปแล้วทานน้ำใหมพระพูทที่เข้าถึงการทานนมำใหจริงๆก็เป็นคนที่รู้แจ้งรู้จริงและมีปัญญารู้ว่าอานี่เราบรรลุธรรมเรามีบุญสูงเรามีการชำระเราอ่านชำระกิเลสออกเรารู้ตัวนี้ออกเรารู้การปัตะปฏิการอุบัติการเข้าถึงการถึงพร้อมกับผล ผลของการสละออกที่จริงสิ่งที่ปฏิบัตินี้มีการเอาออกทั้งนั้นเนคคำมะ ก, ก็ได้เรียกว่าทานก็ได้เอาออกชำระออกจะเรียกว่าบุญก็ได้เอาออกอะ่ะบรรลุเข้าถึงปฏิการเอาออกได้คุณรู้ยิ่งในปรมาสูงขึ้นชัดเจนในปรมาสูงขึ้นและคุณก็มีจริงใน ปรมาทสูงขึ้นเรียกว่าปฏิทถปฏิทานใมก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วคุณก็เกิดปัตตานุโมทนาใหมป่ปัตตะปฏิเหมือนกันปัตตานุโมทนาไหมก็อนุโมทนาแปลว่ายินดีก็เกิดความสำเร็จในการยินดีก็คือปีติปราโมทแล้วแต่ ภาษาบาลีอีกหลายคำมันดีใจมันชื่นใจมันเข้าใจมันพอใจเป็นปัตตานุโมธนาไหม่อนันโมทนานี่แหละโมทนะเนี่ยปโมทยังมันตามเห็นอะนโมธนาแปลว่าตามเห็นโมทนาโมทยังโมทนาแปลว่าความยินดีแปลว่าความอิ่มเอมใจ ที่เราได้ดีมันเป็นองค์ธรรมของสิ่งที่เราทําดีแล้วได้ดีสิ่งที่เราทําสําเร็จยิ่งเป็นปรมัศน์สำเร็จได้ผลทางธรรมมันยิ่งเยี่ยมยอดนะ่ะเป็นการบรรลุ ป, ปัตตานุโมทนามัยเพราะนั้นก็แปลกันไปอ่าเขาแปลว่าอะไรปัตตานุโมทนามัยบุญสําเร็จด้วยการยินดีทีอ่อ้าวอันนี้เขาแปล อาตมาอธิบายแล้วมัม่งเนี่ยแปลที่ได้ชำระ ก, กิเลสหรือได้บุญแล้ว <c oughs> ที่อื่นก็ไม่ได้แปลว่างี้นะอา่าปัจทานามัยอนุโมทนากับเปรตหรืออะไรนี่เ้าแปลไปนูน่นยินดีกับอะไรเขาาเอา้านะเพราะงั้นในประมาทในเรื่องของปัตาเป็นบุญในขั้นนี้นี่ขั้นข้อเจดและอีกคู่หนึ่ง เมื่อกี้นี่ห้าอีกสองปฏิทานนามัยแล้วก็ปตานาุโมทนาไม้ก็ได้กุศลได้บุญอันนี้ไม่ใช่แก่กุศลเป็นการเข้าถึงการบรรลุธรรมอาตมาเขาให้เวลาเลยไปได้อีก4ี่นาทีสองทุ่มสี่สตอนนี้สองทุ่มเกเพราะงั้นผู้ที่มีคุณธรรมถึงขั้นเจด บุญกิริยาวัตถุเจ็ดนี่แล้วหนึ่งแปดเก้าคือธรร ม, ม, ม ะ, ะ ส, สวนาไหม่กับเอยเทศนาไหม่ก่อนอ๋อสวาธรรมะสวนาฟังก่อนนะธรรมะสวนาแปลว่าฟังธรรมเทศนาแปลว่าบรรยายแปลว่าแสดงธรรมบรรยายธรมรมเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราเป็นผู้ที่ สนใจในธรรมผู้ที่มีถึงห้าถึงเจดแล้วเนี่ยมันจะชอบใจธรรมมันจะสนขวายฟังธรรมธรรมสวรรคใหม่มันจะจริงๆเลยมันจะสนสนใจธรรมยิ่งเห็นสัตตบุตรยิ่งเห็นธรรมะที่โอ้โหแม่คนนี้ต้องฟังโอโ้คนนี้มันซุปเปอร์สตาร์อ่าข้าเข้าชมครั้งละแสนก็ต้องเข้าไปดูแหละ ต้องเข้าไปฟังคนนี้มันซุปเปอร์สตาร์เนี่ยอธิบายแบบโลกโลกให้ฟังแล้วได้ข่ามาโอ้โหสัตว์รุษมันต้องฟังต้องหาเวลาต้องพากเพียรมาฟังฟังไม่ได้ทางนี้ก็หาทางไหนฟังธรรมัสวรรค์ใหมสำเร็จด้การฟังทำ ม, มันจะร่าเริงในธรรมมันจะกินดีในธรรมมันจะพอใจในธรรมะทีเดียว แล้วก็ถึงธรรมเทศนาใหม่เราก็เป็นผู้ที่ทำแสดงธรรมเป็นธรรมกถึถเป็นผู้ที่บรรลุพระหูพหูสูตรแล้วในองค์ธรรมของศรัทธาสูตรเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีพระหุสูตรแล้วก็เป็นผู้เป็นธรรมกถึถเป็นผู้แสดงธรรม ก็เป็นบุญเป็นธรรมทานธรรมทานเนี่ยไนยมันลึกคุณพิมพ์ตําราพิมพ์พระไตรปิฎกพิมพ์ครรมะแจกมันก็เป็นธรรมทานธรรมะที่ดีเอ๋ไม่ธรรมะไม่ดีธรรมะมอมเมาก็ไม่ได้ไปบุญเบินอะไรหรอกยิ่งได้บาบถ้าเป็นธรรมะที่ถูกต้องธรรมะสมาธิธรรมะดีๆก็ได้บุญหรือแสดงธรรมให้ฟังเราเป็นธรรมทาน จริงๆแล้วนี่ได้ธรรมทานหรือให้ธรรมทานเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ยนะถ้าให้โลกียรธรรมอธิบายโลกียรธรรมก็ได้กุศลขนาดหนึ่งใช่ไม่มแต่ถ้าให้โลกุตระธรรมพระพุทธที่มีธรม ร, ธรมแล้วบรลุธรรมแล้วถึงขั้น ปฏิทานนามใม่ถึงขั้นปตานโมทนาไหม่ได้มาแล้วก็มาเป็นผู้สแสดงธรรมก็เป็นโล ก, กุตระธรรมก็ให้โล ก, กุตระธรรมเยี่ยมเลยยิ่งเป็นกุศลมหาศาลเลยตอนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บุญแล้วมันเลยบุญไปแล้วคำคานี้มันเลยบุญก็เพราะว่า ตนเองน่ะมันถ้าจะว่าได้ก็เป็นโพธิสัตว์แบบเป็นผู้รื้อขนสัตว์บุญในการให้ธรรมะเป็นทานของโพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่เป็นธรรมกระถึกเป็นผู้ที่รื้อคนสัตว์เป็นผู้ที่ให้ธรรมะแกคนอื่นแล้วคนอื่นก็ได้ธรรมะโลกุตรธรรมนั่นไปแล้วอันนี้ให้ธรรมะเป็นทานยอดเยี่ยมกว่าอะไรหมดเลยที่เรียกว่า ให้ธรรมทานเป็นการทานที่สูงสุดที่มีผลสูงสุดสำนวนเขาว่าไง ท, ทานนางธรรมทานังชินาติเนี่ยแปลเป็นไทยเขาแปลกันว่าไงธรรมทานเป็นทานที่มีผลสูงสุดมีอานิสงส์สูงสุดเนี่ยนี่แหละทานอันนี้แหละเป็นอานิสงส์สูงสุดยิ่งก็พิมพ์หนังสือธรรมะแจกยิ่งกบเทศธรรมะแจก และเป็นธรรมะขั้นโลกุตระด้วยนอกจากจะเป็นลมธรรมะโลกุตระแล้วผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังเอาไปปฏิบัติได้ผลอีกโอ้โหตอนนี้เป็นการสืบศาสนาเลยเป็นการสืบศาสนาเลยสืบสารสาศาสนาต่อเลยจิย่างอันนี้สย่ํำเลย ธรรมเทศนาใหม่เลยบุญไปแล้วเป็นกุศลตีกลับละประโยชน์ประโยชน์คุณงามความดีอันเลิศยอดระดับโพธิสัตว์ละส่วนทิฏฐุชุกรรมนั่นก็เป็นความรวมความเห็นตรงอุชุทิฏฐุชุกกรรมคือการกระทำ พราะทุกกรรมก็จะต้องตรงต้องมีความเห็นตรงต้องทําตรงความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิธิกรรมทุกกรรมก็ให้เป็นสมาธิธเมวัตสมกปะวาจากรรมมันตะอาชีวะกรรมทั้งนั้นทําให้ตรงทําให้ถูกทิฏฐุชุกกรรมคำความเห็นตรงแล้วก็ทกํากระทาให้ตรงเขาก็แปลรวมๆว่าการทําความเห็นให้ตรงให้ถูกตรงก็ไม่ผิดหรอกสั้นๆ แต่ขยายครับอาตมาขยายความให้ฟังนะมันก็เป็นคํารวมให้ตรงทั้งหมดเลยบุญกิริยาวัตถุอีก9ข้อนะรู้ให้ตรงเห็นให้ตรงทิฏฐิทําให้ตรงและเอาไปปฏิบัติให้ตรงกรรมอุชุแปลว่าตรงกรรมกระทําทิฏฐิแปลว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจหรือทฤษฎีทําให้ตรงนี่คือบุญกิริยาวัตถุสิ วันนี้ก็ขยายบุญกิริยาวัตถุให้ฟังพวกเราเนี่ยพยายามมาศึกษาพวกนี้เป็นเรื่องจริงที่เรากระทากันอยู่ฝึกฝนกันอยู่เรียนรู้กันอยู่ได้เกิดมรรคเกิดผลกันไปแล้วเราก็เกิดบุญกิริยาวัตถุเป็นลำดับลำดับอย่างที่ว่ามั่นถ้าเกิดได้สามบุญอย่างที่ว่านั้นอันแรก ธานนามศิลามัยภาวนาใม่แล้วเราก็เพิ่มภูมิเป็นอัปจายนามเพิ่มเป็นเวียวัจฉัยมมันก็ยิ่งจะลึกซึ้งกันไปเรื่อยกับบรรลุไปเรื่อยเป็นปฏิทานาามัยเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ไปเรื่อยแล้วก็สืบสารศา ส, สนาหรือรับเพิ่มธรรมธรรมศิวนาธรรมศิวณามแล้วก็จึงให้ผู้อื่นต่อธรรมเทศนาใม่ ใกล้มันตรงทุกอย่างทั้งให้ทั้งรับเรารับก็รับเอาให้ตรงๆเราให้ก็ให้ตรงตรตรงให้ถูกให้ตรงถ้ามีบุญกริยา ว, วัตถุทั้งสิบนี้มันก็จะเรินแน่นอนใช่ไหมจะเรินแน่นอน เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังที่อาตมาอธิบายวันนี้ก็จะได้ฟังบุญกิาวัตุที่อาตมาว่าง่ายขึ้นนะชัดขึ้นอาตมาก็รู้สึกว่าตัวเองบรรยายได้มีเนี่ยมีนิรุตติมีปฏิพานน่ะมีภาษามีปฏิพานปัญญาอธิบายให้เข้าใจได้ภาษาง่ายๆภาษาธรรมดาก็ไม่ได้ออกนอกอะไรแล้วก็อยู่ใน ขขเขาแปลมายัางไงอัจมากาาม็าไม่ได้ออกนอกนอกจากว่าเขาก็ปฏิเ ข, ปฏเขาก็แปลไปตามภูมิเขาก็พยายามภาคเพียรที่ให้มันดีที่สุดนอะอนี่มีผู้ที่โคตมาให้ดูว่าข้างนอกเขาแปลเนี่ยแปลว่าบุญสำเร็ จ, ด, ราา ด, รรจด้วยการให้ส่วนบุญปฏิทานทำไมบุญด้วยการสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ นะซึ่งเขาพยายามอาศัยพยัญชนะจากอัฐะอัตกถาต่างๆมาพยายามขยายความว่า อ, อ้รวมแล้วมันให้อย่างงี้นะนะอัตมาก็เข้าใจแต่ก็แปลนะก็หมายความว่าบุญนี่คือสิ่งที่เข า, าเขาจะได้เขาจะได้บุญสําเร็จเนี่ยด้วยการให้ส่วนบุญเขาก็ไปซ้ําซ้อนอยู่คําว่าบุญอีกหมายความว่าเรามีบุญแล้วก็เอาบุญไปให้คนอื่น นะตามภาษาของเขาแปลนะบุญสําเร็จด้วยการด้วยการให้ส่วนบุญความจริงนั้นก็คือคุณได้ให้ออกไปส่วนที่คุณอะไรก็แล้วแต่ที่นา้ให้สละออกไปชัดๆก็คือได้ให้โลภโกรธหลงออกไปนั่นแหละชําระกิเลสออกไปนั่นแหละส่วนนั้นนั่นก็คือส่วนบุญบุญของคุณก็คือส่วนที่คุณเป็นปุญญภาคยาหรือปุญญภาค ปุญญาภาคหรือปุญญาภาคยาปุญญาภาคยะเนี่ยุญญาภาคยะปุญญาภาคยานหมายความว่าส่วนของบุญปฏิบัติถ้ามีสมาธิี่แล้วปฏิบัติก็จะเกิดส่วนแห่งบุญนะให้ผลแก่ขันนะอุปัติเวปกาปุญญาภาคยาเนี่ยันเป็นส่วนแห่งบุญบุญส่วนแห่งบุญก็คือส่วนที่คุณได้ชำระกิเลสออกไปใช่ไปรมาทมลึกซึ้ง เ, เขาก็ได้พยัญชนะพยายามทำพยัญชนะกันให้มันครบก็ดีแล้วล่ะก็สาหะก็ภากเพียรก็ทำที่เท่าที่เขาเข้าใจและขยายความว่าคือการอุทิศ ส, ส่วนกุศลนะมีการเจาะจงอุทิศในเจตนาส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วให้แกสปปรรพสัตว์ทั้งปวงขยายความไปตามภูมิการบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วยบอกผู้อื่นใด้โมทนาด้วยก็ เป็นแบบให้มนุษย์มนุษย์ได้สรากการบุญการกุศลที่เราได้กระทำไปอาอันนี้มันไม่ไม่ไปของอนุโมทนาเลยนะก็เลยมาอธิบายอนุโมทนาใหม่กับว่าคือการได้ร่วมอนุโมทนาเช่นกล่าวว่าสาธุเพื่อเป็นการยินดียอมรับความดีและขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทําก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงการรับรู้ด้วยใจปิติยินดีในบุญกุศลนั้นพ้นบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วยสรุปแรกก็คือได้ยินดีด้วยการกระทําสิ่งที่ดียินดีในการทําสิ่งที่ดีเรีวยกว่าแปรรวมมาบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาอนะ่มันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่เข้าถึงปรมาติ แต่อัตมาปแปลอธิบายฟังมันเป็นปรมัตาย์อันนี้จะว่าผิดมันไม่ผิดหรอกมันยินดีในสิ่งที่ดีมันไม่ผิดหรอกแต่มันก็เป็นโลกีธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแต่จริงๆอันนี้นมันเป็นปรมัตย์สูงแล้วปัตตานโนโมธนาไม่ก็ดีปฏิทานไาม่ก็ดีที่อัตมาอธิบายฟังไปแล้วนะว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเล่น อาตมาพูดไปแล้วก็มือกับข่มคนอื่นเขาไปวิจารณ์วิจัยดูถูก ด, ด, ดูแคลนคนอื่นเขาก็ต้องขออภัยแต่จริงจริงไม่ได้เจตนาจะดูถูก ด, ดูแคลนหรอกแต่ก็พูดสิ่งที่มันอะไรบกพร่องอะไรยังไม่เต็มอะไรจะถูกอะไรจะผิดอะไรจะควรไม่ควรนะอาตมาก็พูดสิ่งจริงเท่านั้นเองนไม่ได้มีอะไรที่ไปลบลู่หรือไปดูถูก ด, ดูแคลนอะไรใครนะเพราะงั้นเราจะต้องพยายามนะพยายามศึกษาดีๆและภาคเพียร อันนี้เป็นเรื่องแถมในธรรมะบุญกิยาวัตุสิบวันนี้ทีนี้เรื่องในหมู่เราในหมู่เราที่ได้ปฏิบัติประพฤติ ศ, ศึกษาอยู่เนี่ยหลายคนก็คงจะมันไม่ร่าเริงในธรรมมันไม่เห็นคุณค่ามันฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็ไม่รู้นะอัตมาก็าพยายามพูดให้มันรู้เรื่องง่ายๆแล้วนะแ ต, แต่มันก็ยากสหรับผู้ยากนะไม่รู้จะว่าไง นี่ก็ถ่ายทอดออกไปทางโทรทัศน์เนี่ยตมาก็ดูจอโทรทัศน์ออกอากาศเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีแต่อะไรกันุนรย์มันไม่ออกตอนเนี้ฮะออกออกอากาศไปมันออกหรือเปล่าออกเอแต่จอเรามันรับไม่ได้ดาวเทียมมัน ร, รับไม่ได้อ่าอ่าก็อย่างนี้ลนะน้าของเราก็ดาวเทียมกะโผล่ก็เพ ล, กกะพลนะ ของเขาไม่กับโปรกระเพลงนะของเราเองนะมันกระโปงกระเพลงของเรามันก็อย่างนี้แหละมันก็เต็มเต็งนักก็ว่าไปนะพวกเราก็ช่วยกันทําอยู่ก็พยายามปรับปรุงกันไปตามประษาพวกเรานี่เป็นคนจนที่แอ๊ดนะเป็นคนจนที่แอกก๊ดแหมกระทบทริยดาราโอ้โหนะเขาทำระเบระดับดาวของเราในระดับดินนะแต่ก็แหมทําเป็นไป เสนอตัวเองดินก็ไปทําเป็นแอกไปเทียบเคียงดาวเขานะก็เอาเถอนะนะจะยังไงก็แล้วแต่แนละ้วเราก็ทํมันเป็นประโยชน์เราเห็นว่าอันนี้มันควรทํากาทําไปไมีเจตนาดี ม, มีเมตตานะไม่ได้เจตนาจะมาที่จริงของเรานี่นะโทรทัศน์ของเราเนี่ยออกอากาศไปเนี่ยคนที่เขาเพ่งโทษเนี่ย เขาหมันไส้เราตรงที่ว่าเราคุยตัวเราเอาตัวเองเราเอาพวกเองเราเป็นตัวเองเสนอมากเขาก็เลยเข้าใจโดยปริยายว่าพวกนี้มันอวดตัวอวดตนมันตั้งสถานีขึ้นมาเพื่อโฆษณาตัวเอง มันตั้งสถานีขึ้นมาเพื่อเปนตั้งสถานีขึ้นมาเพื่อโฆษณาตัวเองอาตมาก็ขอพูดอย่างจริงใจตรงนี้ว่าคำว่าโฆษณานะความหมายจริงๆของมั น, นคือเป็นความหมายทางประกาศไปให้คนอื่นเขานะโฆษะททำให้ออกไปกว้างไปไกล ทำให้รู้ให้ได้ยินไปไกลแล้วว่าโคสะทำให้มันเป็นยินไปแล้วสิ่งนี้ควรจะโคสะไหมควรจะทำให้ได้ยินได้ออกไปไกลไหมเมื่อควรคุณไม่มีปรโตโคสะคุณไม่ยอมรับของคนอื่นคุณเห็นว่ามันไม่มีค่า คุณก็เลยลบลูคุณก็เลยดูถูกดูแคลนก็ เ, เป็นเป็นธรรมดาผู้ที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ไม่รับไม่มีปรตโตโศละเลยเนะเขาไม่มีวันจะได้สมาทิิหลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีความรู้เพิ่มเขามิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นเขาไม่มีวันที่จะโยนิสมณสิ ก, กานเขาไม่วันที่เขาจะ ปฏิบัติทำใจในใจเป็นทําใจในใจปฏิบัติใจในใจมานสิกโรติหรือมนสิกการใจของเราเขาทําใจอย่างที่อธิบายมาแล้วจะทําทสังกัปะว่าสัมมาสังกัป ะ, ปะให้เป็นกระบวนการสังกัปปะเจ็ดอะไรอะไได้เขาทําไม่ได้หรอกเขาทําไม่เป็นหรอกนะเขาไม่มีวันจะเข้าใจไม่เป็นจะรู้เพราะเขาไม่รับฟัง เขาปฏิเสธนอกจากปฏิเสธเพ่งโทษว่าไอ้พวกนี้มันอวดตัวอวดตนมันโฆษณาตัวเองมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่าเพราะจริงพราะมันไม่ค่อยเข้าเรื่องกับคุณของเรามันเรื่องประมัดของเรามันเรื่องโลกุตระธรรมมันยากเขาเข้ามาไม่ค่อยได้เขาร่วมเข้าไม่ได้มันไม่เข้าเรื่องเขาก็ว่าพูดอะไรไม่เข้าเรื่อง ถ้าเรื่องเขาจะเรื่องป้าโลกี้ไปอะไรอะไรไปโน่นอ่ะเยอะแยะโดยแม่ธรรมมาเขาก็เข้าใจตามที่เขายึดแล้วราะถ้าเขาไม่รับฟังอันใหม่เลยของเราเนี่ยอาตมามั่นใจว่ามันแปลกมันใหม่และเขายืนยันว่ามันไม่ง่ายมันยากอยู่มันรู้ไม่ได้ง่ายๆเท่าไหร่ คำพีราทุตสาธุรโนโพทาสั้นตาปณิตาอัตกาวั จ, จรานิปุณาบันิตเวทนิยามันก็ไม่ผิดที่พุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันไว้เพราะมันลึกซึ้งมันเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากมันไอสั้นตาของท่านเนี่ยทำแปลว่า ที่จริงสันตาในอาตมาจะแปลตามผัสตามอาตมานะท่านปรเรียนก้าครุณายาวาอาตมาสันตานี่คือสะกะอันตะสัตัวนี้นี่หมายความว่าตัวเราสัหรือส ก, กะสยะนี่อันเป็นตัวเราตนเองเองอันตะนี่ สุดยอดแล้วอันตร์ักรือสุดยอดแล้วที่สุดละอันตร์ปลายสุดละสุดละเป็นตนเองสุดๆุดละสันต์ตนี่เพราะฉะนั้นไปแปลว่าสงบสมณะก็แปลว่าสงบสันตะก็แปลว่าสงบเพราะมันเป็นความนิ่งสงบสุดยอดแล้วมันขั้นสุดยอดละ มันไม่ใช่มาสงบเงียบๆสงบเล็กๆน้อยๆเลยถ้าตัวจริงแล้วเนี่ยมันสันตะเนี่ยสงบพิเศษมาระ ง, งับสงบอย่างพิเศษซึ่งสงบอย่างพิเศษของผู้ที่เข้าถึงสันตะที่อาตมาแปลให้ฟังลเมื่อกี้เนี่ยหรือจะสันติกับอันติก็ได้ เติมเป็นอันติมะเลย ย, ย, เล ย, này, ยิ่งสุดยอดเลยอันติมะนี่ยิ่งสุดยอดเลยอันติอันตะละอันติอันติมะยิ่งสุดยอดเลยนี่คือสัจจะคำบาลีนี่เป็นคำรากเงาของภาษาที่เกิดมาจากธรรมะทั้งสิ้นเลยกะขาคกงจัจจจัจเจยะต ถ, ะถะรานาเนี่เกิดเป็นรากเงาแต่ละคำแต่ละพยัญชนะ มันมีรากเหง้าขอามันมากมายพื่ออามมาเองอยังฟื้นได้ไม่ได้หมดถ้าฟื้นได้อรมาจะอธิบายเลิกะคืออันนี้ค่คือนี้ค่ะง่ายหมดเลยเพราะมันสุดสงบสุดเรียบนาเรียบร้อยง่ายงามสุดยอดสันตะปณีตาละเอียดสุขุมประณีตละเอียดละเอียด เดาเอาไม่ได้อัตกาวั จ, จราเหตุผลเรื่องแค่เหตุผลไม่พอต้องเข้าไปถึงความจริงนิปุนายิ่งไม่มีคําแปลละละเอียดปณิตาเนี่ยแหละละเอียดยิ่งกว่านั้นยิ่งเป็นนิพพานเลยละเอียดจนกระทั่งไม่รู้จะละเอียดยังไงพลังงานทางโลกเขาก็ว่าเป็นสิ่งที่เล็กละเอียดแล้วปรมานุว่าเล็กแล้วไอ้นี่มันเล็กกว่าปรมานุอีก ปนิตามละเอียดกันนั้นอีกเล็กกว่านั่นอีกวันผู้จะเข้าถึงสภาพจริงพวกนี้จึงไม่ใช่เรื่องตื่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆบัณดิตจริงเนี่ยไม่ใช่บัณดิตธรรมดาที่จะดูกันได้ง่ายๆนะพวกเราได้พยายามภากเพลงกันมาทุกวันนี้นี่ก็ช่วยกันไปฟังกันไปใส่ใจกันไปปฏิบัติกันไปอาตมาก็สอนขัดเกลาไปแหละสันเลขะ ขัดเกลารผู้อื่นขัดเกลาร์ตนสิ่งที่ตนเองยังจําเป็นจะต้องขัดเกลาร์ตนอยู่ก็ขัดเกลาไปแม้จะเป็นผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วก็ยังมีสิ่งที่จะทําให้มันเจริญได้อีกสิ่งที่ยังเป็นวาสนาที่มันยังไม่ดีก็ปรับไปเรื่อยเื่เรียกว่าวาสนาที่เป็นสิ่งที่มันติดตัวท่านเรียกว่าวาสนามันเป็นกรรมกิริยา พระอรัน์ที่มีวาสนาติดตัวที่มันหยาบหยาบมีเยอะพระเจ้ยายกตัวอย่างไว้มากมายท่านก็แก้ไขไปแต่ท่านจิตของท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วแต่สิ่งที่ยังติดกรรมกิริยาของท่านจริตของท่านมันยังมีก็อ้าวว่ากันไปลางกันไปอันนี้จะเป็นสิ่งลึกซึ้งมากนะที่อาตมาหยิบมาพูดเนี่ยเพราะการมารวมตัวกันอยู่แต่ละคนจริตแต่ละคนวาสนา ยิ่งยังไม่เป็นอหรหันต์แน่นอนมันก็ต้องมีหยาบมีหยาบมีแต่ละจริตแต่ละจริตเราก็พยายามรู้ความจริงให้ได้ว่าเขาคือเขาเราคือเราเพราะงั้นก็พยายามเข้าใจจิตส่วนลึกๆของแต่ละคนแต่ละค น, ะคนพวกที่มาอยู่ด้วยกันกับพวกเรานี่ที่อยู่กันได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกคนธรรมดามาอยู่ก็เราไม่ได้หรอกคนธรรมดาสา ม, มัญโล ก, โลกอยู่ไม่ได้ อยู่ได้ก็ไม่นานอดทนไปถึง ก, กดขมไปอยู่ได้ไม่นานหรอกมันผู้ที่อยู่ได้ยิ่งอยู่ได้สุขสบายอยู่ได้ไปตลอดโอ้ยิ่งรู้ว่าเราจเจริญด้วยยิ่งอยู่ไปก็ยิงย่งเจริญยินได้สิ่งที่ได้รู้ว่าเราได้อะไรด้วยน ะ, ะได้ทั้งละกิเลสได้ทั้งปรับตัวเราทั้งกรรมกริยาการกระทาทางกายวาจาใจ ทั้งความชํานาญในพฤติต่างๆการงานสมรรถนะความรู้ความสามารถโอ้ยิ่งจเจริญมัทธิศาสนาพุทธจึงไม่ได้ทําให้คนตกต่ําสักทางทางโลกียะก็ไม่ได้ตกต่าทางโลกุตระยิ่งไม่ตกต่ําแน่นอนทางโลกก็จเจริญไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเรานี่พัฒนาไปเถอะภาคเพียรไม่เถอะเราจะได้เป็น ผู้รับใช้โลกที่ดีผู้รับใช้โลกที่สาคัญอยากเป็นไหมอยากเป็นผู้รับใช้โลกแน่ไม่จะไปรับใช้โลกแล้วก็ไปพูดโกโกนะไม่หลอ ก, ลอ ก, ลอกเอาเงินเข้าไปเอาอำนาจมาจากเข้าไม่ใช่นะรับใช้จริงๆรรับใช้สังคมประเทศชาติรับใช้โลกก็ไปนะสิ่งนี้แหละอาตมาว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องพูดเล่น ไม่ใช่เรื่องเพื่เจไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นโกโก้เอาโกโก้เป็นจริงไม่ได้อัตมาจริงๆนะตั้งใจนี่ตั้งใจจริงๆเลยว่าอัตมาจะพยายามอยู่ให้นานไม่รู้มันจะได้นานเท่าไหร่ยังไม่รู้ตั้งเป่ า, เาไว้ตั้งโอ้โห151งร้อยหปีมัใช่เองน้อยๆนี่เพิ่งจะ8ปอดอีกตั้งเจ็ดสิปีนะ เพิ่งจะ81ดบอดอีกเจดสิบปีคิดตัวซึ่จะพะคุณนี่เพิ่งจะเป็นคนออนเกิดใหม่ๆจะต้องอยู่ไปอีกเจ็ดสิบปีจะต้องอยู่ไปให้ได้อีกเจ็ดสิบปีไม่ได้เพื่ออะไรหรอกเพื่อที่จะนำสิ่งที่ประเสริฐอันนี้ของพระพุทธเจ้า ออกมาให้มนุษย์ได้รับไปซื้อทอดเอาไว้เอาไว้ให้แก่ตนเอาไว้ช่วยสังคมพระศาสนาพุทธเป็นศาสนาของสังคมเป็นศาสนาที่ช่วยมวลมนุษยชาติเป็นพระผูชนะอิตายะพระชนะสุขายะช่วยมวลมนุษยชาติทําประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติพามวลมนุษยชาติมีความสุข เรานะ่พยายามนะอัตมาพยายามจะคืนความสุขให้แก่ประชาชนทำมานานแล้วก่อนคุณประยุทธ์นะว่านะเพราะอัตมาทำมาตั้ง4ี่สิบกว่าปีแล้วคุณประยุทธ์ยังรับราชการมาถึงสี่สี่าปียังไม่รู้คุณประยุทธ์ไม่น่าไม่น่าถึงนา รับใช้มีต่เรียนอยู่มั้งน่ า, าเรียนอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งจะครบ60 อ, อย่างเก่งเรียนอยู่ก็4ี่สปีผ่านมานะให้จบอายุ19เกได้อส่อให้จบทหารอายุ19าว่ารับใช้ประชาชนเนาะเกปีจบทหารคงไม่ได้เนาะไม่จบนะเนาะ่าอาตมาเนี่ยคืนความสุขให้ประชาชน ก่อนคุณประยุทธ์พูดไม่ผิดงั้นที่จริงธรามมาธรรมมาตั้งแต่เป็นฆราวาสนะธรรมมาตั้งแต่เป็นฆราวาสนะคอยมาบวชบวชนี่มันสี่สิบสบสี่ปีย่างเขาหมดลนะนะก็เป็นเรื่องที่สบายใจและเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขเป็นโลกียะเท่านั้นเป็นความสุขที่สูงเป็นความสุขของพรธเจ้า นะเป็นปรามังสุขขังหรือเป็นวุปสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขเป็นสุขที่พาให้สงบเย็นสุขเย็นอยู่กันอย่างสบายเม่ใชเป็นความสุขแบบโล ก, กนะีบําเดอรอามิตรบําเดร์โลกโลกมันมันมั น, ม, นมันต่างกันความสุขอย่างนั้นไม่ความสุขหลอกสุขเท็จที่อาตมาขยายความอธิบายไปมากมายแล้วนะ เรางั้นก็ภาคเพียนกันดูและอัตมาก็บอกมานานแล้วว่าพวกเรานี่จะอายุยืนนะไม่ได้พยากรหรอกแต่พวกเราเนี่ยถ้าทำใจในใจได้ดีมีจิตสบายบริสุทธิ์สะอาดแล้วมันเป็นพลังอย่างมากเลยที่จะทำให้คนนี้อายุยืนที่พระเจ้าท่านตรัสว่าเอาโพชง เเนี่ยไปท่องให้แกไขฟังแล้วจะอายุยืนนะโพชงเจ็ดนี่แหละทำให้อายุยืนจริงจริงก็คุณเองคุณปฏิบัติโพชงเจ็ให้มันรู้สิได้โพชงเจ็ดเป็นเนื้อแท้อยู่ในตัวคุณจะไม่อายุยืนได้ยังไงยิ่งโพชงเจ็แล้วขยายเป็นโพธิปักยีทําสาม37ดนั่นแหละคือโลกุตระทั้งดุนเป็นโลกุตระา ปฏิบัติโลกุตระสามสนี่ก็ไล่ไปเลยได้โลกุตระเก้าไปตามลําดับเลยโซดาสกิทานาคาอรหันต์เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลไปจนกระทั่งถึงนิพพานก็โลคุตระสี่สบหกเรานี้แหละพระจ้ตรัสไว้เนี่โอ้โหอัตมายิ่งเห็นหลักฐานพวกนี้มาและวยิบมาอธิบายยิ่งอธิบายสบายใจมากเลยเพราะว่ามันโอ้โห เนื้อๆทั้งนั้นเลยอเจอทีอะไรก็โอ้โหชิ้นปามันเจอทีอะไรก็โอ้โหนี่ชิ้นปามันอัตมาก็หยิบมาอธิบายสบายไปเลยคุณฟังรู้เรื่องไหมล่ะโอ้โหเก่งจังเลยคนที่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอัตมาเนี่ยนะเขาก็ว่าอัตมาในโมเมจับอะไรตออะไรมาแทะชนแกะพูดก็ไปเละเทะอะไรต่อไปอ คนมาพูดเล่เทสและคนฟังยงกระทั่งมาจนได้มาละได้มาลดได้มาอะไรได้เาเธอะคนจะว่าเล่เทสกว่เล่เทสแ ต, ตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาจะว่าเราในเล่เทสเอาแพะชนแกะอะไรไม่เป็นไรก็จะว่าก็ว่าแต่พูดไปแล้วในคนที่เขาฟังได้รู้ได้เขาทาได้และก็มีผลจริงมีอะไรจริงนี่เอฮิปัสซิโกเชิญนี้มาดูได้มันเป็นอย่างนี้จริงไหมอ่าถ้าไม่เชื่อก็พิสูจน์ดูก็ได้อยู่ไปสักปีหนึ่งสิ อยู่นี่สักปีพิสูจน์ไปเลยนะว่ า, าที่นี่มีอะไรหลอกล่ออะไรมีไม่ไม่ถูกสัจจคุณเอาหลักฐานธรรมบู ժ เจ้ามากางเลยแล้วก็วัดไปเลยทุกวันเลยเนี่ยติ๊กไปเลยทุกวันเนี่ยติ๊กให้เป็นกันละกันติ๊กให้ถูกกันลวกันเนี่ยติ๊กไปเลยตลอดเลยอ่าสักปีหนึ่งเนี่ยนะรับรองเลยคุณจะเห็นว่าเออมันเอฮิปัสิโกรจริงๆมันเชเนิญนีมาดูได้ ท้าพิสูจน์ได้อาตมาพุทธเจ้านี้พิสูจน์ได้มันเป็นจริงมันไม่ผิดเพี้ยนหรอกนะเอาละอาตมาใช้เวลามาเขาให้อีกสี่สิบนาทีเลยสี่สิบนาทีไปละเอนาฬิกาเรือนนี้นยังไม่ถึงสี่สิบอ๋อเลยไปสองนาทีแล้วเ น, นาะสี่สิบสองแล้วอาตมาสีา่สิบเอ็ดอาตมาดูเลขผิดไปเลยไปสี่บามลยสี่สามนาทีอาตมาสี่สบอ็ดละ อ้าสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเจริญธรรมทุกคน